ขอโอกาศท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดรองจคณะจังหวัดและท่านพระมหาเทราเทระทุกท่านและขอแรงความนับถือแด่ท่านพระสังฆาธิการใหม่พระพระกรรมวาจาอาจารย์ที่เข้ารับการอบรมทุกรูปใน การจัดการอบรมครั้งนี้อย่างนี้นะว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้เข้าสู่ตำแหน่งใหม่ทุกรูปในฐานะพระสังฆาธิการและพระกรรมวาจารย์เพราะว่าการเข้ารับตำแหน่งใหม่ เรายังขาดประสบการณ์ประสบการณ์ที่ผู้ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนเขามีเนี่ยจะเป็นประโยชน์แก่เราถ้าท่านที่มีความรู้มีประสบการณ์มาบอกมาเล่าก่อน เราจะทำงานได้สะดวกและปลอดภัยเพราะว่าใครใครที่เข้าสู่ตำแหน่งใหม่ก็จะมีการลองผิดลองถูกซึ่งบางทีมันก็ผิดถ้าจะให้ปลอดภัยก็คือฟังคนที่เขาเดินมาแล้วเราเดินตาม มันปลอดภัยจึงถือว่าเป็นเจตนาดีของท่านจากนุกคณะจังหวัดที่จะช่วยพวกเราให้ทำงานได้ได้ดียิ่งขึ้นการทำงานให้สำเร็จมันอาศัยองค์ประกอบหลายอย่าง อย่างแรกท่านต้องมีอำนาจมีอำนาจถึงจะทำงานได้ปัญหาของผู้ทำงานใหม่ก็คือไม่รู้ว่าเรามีอำนาจอะไรหรือเลยไม่ได้ใช้อำนาจมันก็ทำงานไม่สำเร็จท่านต้องรู้ว่าท่านมีอำนาจอะไร และปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือทำเกินอำนาจหน้าที่ทำดีก็เลยจะไม่ได้ดีฉะนั้นมาอบรมนี้ก็คือให้ท่านรู้ว่าอำนาจพอดีพอดีของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนและอย่าให้เลยทงอย่าทํางานเกินอำนาจหน้าที่มันก็จะ ไม่ได้อะไรการมาอบรมจะทำให้รู้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบมีอำนาจข้อที่สองมีความรู้และประสบการณ์มีอำนาจแต่ทำงานไม่ได้ไม่เป็น ขาดความรู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่งเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของพระสังฆาธิการเนี่ยเาจะที่ทั่วไปนี่ก็คือมีความรู้เหมาะสมกับตำแหน่งไม่ใช่รู้แค่นักธรรมบาลีมันต้องรู้เรื่องบริหารเรื่องจัดการซึ่งเขาไม่ได้สอน เวลาเราเรียนนักธรรมเดียนบาลีแต่มันก็เป็นความรู้เพื่อให้เราทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ความรู้ยังมีประสบการณ์อีกประสบการณ์คือผ่านงานคล้ายๆกันมาเป็นจเจ้าอาวาสใหม่ก็จริง แต่มีประสบการณ์ในฐานะผู้ช่วยเจ้าอาวาสมาก่อนได้เปรียบหละถ้าท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสมาก่อนก็ทำงานได้สะดวกขึ้นเป็นเจ้าคณะตำบลใหม่แต่ท่านเคยเป็นเจ้าอาวาสในเขตตาบล น, นั้นมาก่อนหลายปี เคยประชุมเคยฟังเจ้าคณะตำบลรูปก่อนบริหารจัดการมันก็ไงท่านเป็นเจ้าคณะตำบลท่านก็มีสิทธิ์ขอเป็นพระอุปชาไปสอบพระอุปชาที่ส่วนกลางท่านมีประสบการณ์ในฐานะพระกรรมวาจาจารย์ อนุสาวราจารย์เป็นคู่สวดมาก่อนมันง่ายเห็นไหมครับแต่ถ้าไม่เคยเป็นพระคู่สวดเนี่ยอยู่ๆไปสอบอุปชาเนี่ยนะมันมีเรื่องต้องจำเยอะขั้นตอนมากเครียดดีไม่ดีตกฉะนั้นทุกรูปนะครับขึ้นมาสู่ตำแหน่งผู้ช่วยจเจ้าวาด เป็นเจ้าอาวาสเนี่ยวันหนึ่งท่านก็นจะต้องขึ้นไปเป็นเจ้าคณะตำบลเป็นอะไรต่างๆท่านต้องทําหน้าที่พระกรรมวาจาจารย์พระอนุสาวนาจารย์ต้องทํามันเกี่ยวกับการปกครองไม่ใช่เพราะท่านจะขึ้นไปเป็นพระอุปชาอย่างเดียวแต่ว่ามันมีประเด็นในทางปกครอง ่งนี้ซึ่งผมจะค่อยๆเล่าถวายมีอำนาจมีความรู้มีประสบการณ์ได้ได้ได้เปรียบนะครับทำงานสำเร็จอะ่ะแต่ข้อสุดท้ายท่านต้องมีข้อหนึ่งมีอำนาจข้อสองมีความรู้บวกประสบการณ์ ช่วงบงบินข้อสามรักในหน้าที่อันนี้มากน้อยต่างกันนะถ้าเรารักในหน้าที่รักงานที่เราทำเขาเรียกมีน้ำใจก็แล้วกันจะทำงานได้ดีกว่าผู้ที่ไม่รักงานนี้ไม่เคยคิดจะเป็นจเจ้าวาดเลยจับพลัดจับปลูท่านตั้งหรือเรียกไปให้เป็น ก็จ้องอยู่ว่าถ้ามีโอกาสก็จะไปแล้วไห่ไม่ทำครึ่งๆกันต่างอย่างนี้เอาดีไม่ได้แต่ถ้าเขาให้ท่านเป็นตำแหน่งไหนก็ตามทำให้มันดีที่สุดร้องให้มันสุดคำรังให้มันสุดแขน แทนให้มันสุดปีกต้องถือว่าในขณะที่ท่านมารับตาแหน่งนี้หม่อยากเป็นเจ้าอาวาสแต่เขาให้มาเป็นผู้ช่วยอย่างนี้ท่านต้องถือว่าเป็นการสะสมบารมีสะสมประสบการณ์การเป็นผู้ช่วยการเป็นรองนั้นอย่างรองเจ้ารัตตะบนก็มีถือว่าเป็นโอกาสเรียนนานท่าน เมื่อถึงเวลาเขาให้เป็นตัวจริงเนี่ยเราจะได้เปรียบทุกคนต้องสะสมประสบการณ์แล้วก็ฝึกงานเป็นรองเป็นผู้ช่วยได้โอกาสในการฝึกงานแต่รับผิดชอบน้อยกว่าตัวจริงเพราะว่าเราช่วยท่านผลงานเป็นของท่านแต่ถ้าล้มเหลวตัวจริงจะเอาว่าจาาา้คณะตบล โดนก่อนเราจึงมีโอกาสมเรียกว่าฝึกงานโดยที่เสี่ยงน้อยไม่ใช่ว่ารอให้เป็นตัวจริงเมื่อไรเราค่อยทำงานถ้าอย่างนั้นน่ะท่านเสียโอกาสมากคงเจอเขาบอกว่าเยาหวงว่าใครไม่รู้ว่าท่านเก่งหรือมีความสามารถหรือไม่ พวงแต่ว่าสักวันหนึ่งเมื่อคนเขายกย่องให้ตำแหน่งท่านท่านเก่งจริงหรือเปล่าเพราะเป็นตัวจริงขึ้นมาเนี่ยเก่งจริงไหมเพราะฉะนั้นถือว่าแม้เราไม่ได้เป็นตัวจริงเป็นรองเป็นผู้ช่วยเป็นกรรมวาจาจารย์เนี่ยไม่ใช่บุญชาถือว่าเป็นโอกาส โชคดีเพราะฉะนั้นอาสาทำงานพอถึงเวลาเราเป็นคือการที่เราอาสาทำงานเนี่ยมันเข้าตากรรมการนะจังควัจังหวัดจังคณะอําเภอท่านมองอยู่เดี๋ยวเวลามีตำแหน่งว่างเขาก็ให้ท่านทำเพราะท่านมีน้ำใจ <c oughs> อย่าไปคิดว่า เรายังไม่ใช่ตัวจริงเพราะฉะนั้นยังไม่ทำถ้าคิดอย่างนั้นเนี่ยผู้ใหญ่เขาไม่ใช้หรอกมันเป็นการฝึกงานด้วยและเป็นการแสดงตัวเองให้ผู้หลักผู้ใหญ่เขาเห็นทำในหน้าที่เนมันดีเครับแล้วเขาเรียกใช้เองเพราะว่าผมก็ทำอย่างนั้นผมก็ทำมีหน้าที่อะไรผมก็ทา ไปเรื่อยๆและผู้ใหญ่เขาก็บอกเือมาช่วยนี่หน่อยแล้วก็ทําได้จกนกระทั่งทอให้ปเป็นกรรมการมหาศิลสมคมเพราะนานนะครับฉะนั้นผมก็ถือว่าการจะทําทงานต้องรู้ว่าเรามีอำนาจอะไร มันจึงจะเคลื่อนย้ายภูเขาได้สองมีความรู้และประสบการณ์สามมีน้ำใจความรักในหน้าที่ตั้งใจทำทีนี้บังคนเนี่ยไม่มีอำนาจถึงจะทำยังไงมันก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้ บางคนมีอำนาจแต่ขาดความรู้ขาดประสบการณ์ก็สร้างปัญหามากกว่าความสำเร็จวัดพนมยงนันนะครับมีคนใช้ชื่อวัดเป็นนามสกุลก็คือท่านปรีดีพนมยง สมัยนั้นเขาให้ตั้งนามสกุลก็เลยเอาชื่อวัดนนไปเป็นนามสกุลท่านปรีดีพนมยงค์หลวงประดิษฐ์มนูธรรมให้สัมภาษณ์ท่านปรีดีให้สัมภาษณ์ตอนลีภัยการเมืองไปอยู่ฝรั่งเศสหลายปีแตอนนั้นก็ใกล้จะถึงอาสัญญกรรมคือสิ้นชีวิตอายุมากแล้ว ผู้สื้อข่าวหนังสือพิมพ์เอเชียวีกสัมภาษณ์ท่านปริดีแล้วเขาก็พิมพ์ขายทั่วโลกผมซื้อฉบับนั้นพอดีผมก็อ่านท่านให้สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษมีข้อความตนัวหนึ่งซึ่งอ่านแล้วสะดุดใจแล้วผมไม่เคยลืมเนละ <c oughs> น่าจะเกือบสี่สิบปีมาแล้วและมันเป็นคติเตือนใจผมมา มีผู้สือ่อผู้สื่อข่าวฝรั่งถามท่านปรีดีว่าอะไรคือความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตที่ผ่านมาของท่านซึ่งถ้าท่านย้อนกลับไปใช้ชีวิตใหม่หมุนเข็มนาฬิกาได้ท่านจะไม่ยอมทำมันเป็นอันขาด ท่านปรีดีตอบว่ามีอยู่ข้อหนึ่งความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของข้าพเจ้าคือรีบทําการใหญ่ก่อนที่จะมีประสบการณ์รีบทําการใหญ่ก่อนที่จะมีประสบการณ์นี่คือความผิดพลาด ทำไมท่านก็อธิบายเรียนหนังสือเก่งจบด็อกเตอร์ฝรั่งเศสด้านกฎหมายเชื่อมั่นตัวเองสูงแล้วก็ผันตัวเองมาเล่นการเมืองเป็นหัวหน้าคณะรากหหัวหน้าฝ่ายโพลเรือน <c oughs> เล่นการเมืองโดยไม่มีประสบการณ์ยังหนุ่มอยู่สามสิบต้นตน้น <c oughs> ความไม่มีประสบการณ์เนี่ย เสนอเขาโครงเศรษฐกิจเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยไม่รู้หรือว่ามันมีกับดักมันมีหลุมพลางอยู่นอกห้องประชุมเพื่อนๆก็บอกดีๆเสนอเลยยุคแต่พอเสนอเข้าที่ประชุมเนี่ยโดนสับเละเลยซื้อเอาไปตีขึ้นหน้าหนึ่งหาว่าท่านเป็นคอมมิวนิสต์ เขาโครงเศรษฐกิจหาว่ามีการปฏิรูปที่ดินสมัยนั้นเน่เมืองไทยยังไม่เคยมีพอเอาเรื่องปฏิรูปที่ดินใส่เข้าไปนั้นครับอกนี่มันเป็นความคิดคอมมิวนิสต์ใส่สีแดงเป็นคอมมิวนิสต์ให้ทันจนต้องลาออกจากรัฐบาลในประเทศตัวเองไปอยู่ต่างประเทศหลังจากเป็นเปลี่ยนแปลง ก, การปกครองได้หนึ่งปีเพียงพลั้มตั้งแต่ยกแรกเลยทน เหมือนพวกเราเป็นเจ้าวาดใหม่ๆอย่างเงี้ยแหละปีแรกก็จอดแล้วนะขาดประสบการณ์ท่านปรีดีบอกว่าผมไม่รู้จักสังคมไทยตอนนั้นถ้าเป็นตอนนี้เนี่ยผมจะพูดชี้แจงกับสื่อมวลชนให้มากกว่าตอนโน้น คือตอนโน้นนึกว่าใครก็รู้ใครก็เข้าใจพูดน้อยไปต้องชี้แจงให้มากกว่านี้อดทนให้มากกว่านี้และท่านปรีดีก็สรุปว่าตอนโน้นเนี่ยผมมีอำนาจแต่ขาดประสบการณ์ตอนนี้ผมมีประสบการณ์อยู่ฝรั่งเศสนะ ตอนนี้ผมมีประสบการณ์แต่หมดอำนาจทำอะไรไม่ได้เลยเห็นไหมน่าเสียดายไหล่ะคนเก่งตอนมีอำนาจก็ขาดประสบการณ์ให้เขาคนทำอะไรผิดผิดพลาดพลาดเพราะมันขาดเ่วโมงบินพอมีความรู้มีความสามารถเพียบเขาไม่ให้เป็นอะไร่ะ ดีที่สุดคือมีทั้งอํานาจมีทั้งความรู้และประสบการณ์เรายังไม่มีอํานาจเต็มตัวเราก็หาความรู้ประสบการณ์ไว้ก่อนที่ผมพูดต้ต้นและเมื่อถึงเวลาเขาตั้งให้เราดำรงตําแหน่งเรามีอํานาจทําให้มันเต็มที่ตอนเราเป็นผู้ช่วยเราเป็นรองเราก็ทําเต็มที่ แต่ผลงานมันจะเป็นของโคหน้าเขาเยอะแต่เวลาผิดเราผิดน้อยเจ้าวาดรับเละท่านต้องถือว่าเป็นโอกาสในการฝึกฝนตนเองนะครับทีนี้เวลาที่เรารับตำแหน่งใหม่เต็มตัวเลย เราดูคนที่เขาเดินมาแล้วยาตานุยายีพระพุทธเจ้าตรัสว่ายาตานุยายีเดินตามรอยท่านที่เดินมาแล้วปลอดภัยวิยากรทั้งหลายในที่ท่านมาบรรยายมาสอนเราเนี่ยเขาเดินมาแล้วเขาผ่านมาแล้วกันประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟัง ทดลองผิดทดลองถูกกว่าจะสำเร็จมาเล่าให้ฟังเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายง่ายถ้าเราไปเดินตามท่านลองผิดลองถูกดีไม่ดีไม่ได้ไปไหนล้วเป็นเจ้าวาดอยู่แค่นั้นะเพราะงานมันไม่ออกแต่ถ้าเราได้ศึกษาได้ดู คนที่เขาทำมาแล้วเนี่ยมันช่วยเราผมจึงสนับสนุนกิจกรรมอย่างนี้และมีการฝึกอบรมผมก็จะมาให้ได้แม้จะติดภาระธุระอย่างเมื่อวานอย่างเงี้ยเพราะผมให้ให้ความใส่ใจสนใจเตรียมการตั้งแต่ต้นดีกว่า ดีกว่าส่งท่านเข้าสู่ตำแหน่งแล้วไปผิดพลาดไปล้มเ็วมันไม่ได้เสียหายพท่านมันเสียหายส่วนรวมคือวัดว า, ารามหรือตำบลของท่านพาศิทธ์เขาบอกว่าการเริ่มต้นที่ดีเท่ากับสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งเตรียมตัวให้ดีก่อนที่จะแสดงเนี่ยเ็าจะมีซอ้อมมีอะไรต่าง งานพระราชทานงานถวายบัพเพิงพระบรมศมพซ้อมกันไม่กี่รูกกี่รอบแล้วพองานออกมาจริงสมบูรณ์พอเราจะไปทำงานเราซ้อมเราเตรียมเราศึกษาเราอบรมถึงเวลามันสบายอันนี้ก็ถือว่าเป็นที่พูดมานี่ถือว่าเป็นการกล่าวเปิดกล่าวเปิดนะว่าให้ความสนใจหลักสูตรอย่างนี้ แล้วเขายังมีหลักสูตรเจ้าวาดใหม่อีกนะที่เจ้าคณะใหญ่คนกลางนะอย่าไปโดนอย่าไปขาดอย่าไปป่วยนะรักษาสุขภาพนี่เพื่ออบรมเสร็จไปหายไปสักยี่สิบรูป ม, มั้งบอก่าไม่รู้ว่าป่วยจริงหรือป่วยไม่จริงไม่เห็นคุณค่าดีไม่ดีอาจจะไม่รับตําแหน่งหน้าที่ด้วยจะเป็นอุปชากก็ฝึกอบรมถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่คณะสงฆ์ ท่านใส่ใจเรื่องนี้เพราะว่าเราไม่ได้มีโรงเรียนที่เป็นทางการไม่เหมือนโรงเรียนในอําอเภอโรงเรียนอะไรต่างๆแต่ว่าเรามีหลักสูตรฝึกอบรมซึ่งมันก็ใช้แทนกันได้ยังมีหลักสูตรปอบอสอประกาศเซบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ซึ่งหลายท่านอาจจะผ่านมาแล้วห ล, หลักสูตรเทสนาปทศ ของมหาจุลาไปเรียนเถอะครับสะสมความรู้ประสบการณ์นะครับอันนั้นคือสิ่งที่ผมปารกเบื้องต้นต่อไปนี้จะเข้าเรื่องที่กำหนดให้ผมพูดเรื่องอำนาจหน้าที่ของพระสังฆาธิการแต่ก็เกี่ยวพันกับกรรมวาจาจารย์ด้วยจากคณะตำบล จากคณะเจะ้าวาดทั้งหมดนะครับที่พูดถึงเรื่องนี้นะครับคำว่าหน้าที่นะครับคือคำว่าในในกฎหมายด้วยในทางธรรมะด้วยในทางธรรมะคําคำว่าหน้าที่แปลมาจากคำว่าธรรมะ ธรรมะแปลว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้แปลว่าบอกเกิดเหตุความดีก็ได้คุณธรรมก็ได้แต่ประโยคนี้แปลว่าหน้าที่ครับธรรมมันเจเรสุจริตังบุคคลควรปฏิบัติหน้าที่ให้สุจริตเรามักจะแปลว่าปฏิบัติธรรมให้สุจริตแต่จริงๆธรรมะตัวนี้คือหน้าที่ ทำไมจึงบอกว่าเป็นหน้าที่ใครที่เรียนบาลีนะครับธรรมบทเขาจะเล่าที่มาของประโยคนี้ในหนังสือบาลนะีธรรมบทว่าตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปที่กรุงกบิลพั์ครั้งแรกพระเจ้าสุดโททนะไม่นิ ม, มนต์ไปรับบั นึกว่าลูกของเรายัางไงไม่งันก็ต้องอลูกของเรายัางไงก็ต้องมาเสวยในวังเมื่อไม่นิมนต์พระุทธเจ้าก็มีธาบาทสีครับมีธาบาในเมืองก บ, บิละพัทโอู่ชาวบ้านแตกตื่นใส่บาทกันเพราะว่าเจ้าชายมาขอข้าวพระเจ้าสุทธนะมองจากปราสาทลงมาเห็นพระโอรสซึ่งตอนนี้เป็นพระุทธเจ้าเนี่ย รับบาทเหมือนกับฉีกหน้าพ่อไม่มีข้าวให้กินแล้วมักลูกต้องมาขอทานความรู้สึกอย่างนี้ก็เสด็จลงจากปราสาทมามาต่อว่าพระพุทธเจ้าว่าการที่พระองค์มาบินทบาทอย่างนี้ทำให้เสียชื่อวงตระกูล วงตระกูลโคตมะนี่ไม่เคยทำอย่างนี้เสียวงพระพุเทธเจ้าก็ตอบว่าวงของพระองค์เนี่ยเป็นพระเจ้าพผดิตแต่วงของอาตมาเนี่ยเป็นพุทธวงเสืบเชื้อสายของพระพุเทธเจ้านะ พระพุทธเจ้าในอดีตทุกพระองค์บินธบาดโปรดสัตว์หน้าที่ของพระพุทธเจ้าคือบินธบาดโปรดเวนัยสัตว์หน้าที่ของพระเจ้าบผ่นดินคือปกครองใครมีหน้าที่อะไรทำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุด แล้วก็ตราดประโยคนี้ทรมันเจรสุจริตักบุคคลควรปฏิบัติหน้าที่ให้สุจริตคำว่าให้สุจริตมีสามความหมายท่านเมื่อท่านมีหน้าที่อะไรนะครับอย่าให้ทุจริตคือบกพรออ่องในมีปัญหาในสามประเด็นหนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่เจ้าวาเจ้าคณะตำบลอย่าให้บกพร่องสองอย่าละทิ้งหน้าที่และสามอย่าทุจริตต่อหน้าที่ถ้าท่านบกพร่องในหน้าที่มีโทษนะครับละทิ้งหน้าที่ก็มีโทษทุจริตก็โทษร้ายแรงที่สุด ไปดูข้อแรกครับคำว่ า, าบกพร่องในหน้าที่คือทำหน้าที่ขาดไม่ครบเขาเรียกบกพร่องน้ำมันพร่องใส่ให้มันเต็มมันไม่เต็มมันพร่องมันขาดไปครึ่งหนึ่งเขาเรียกพร่องเขาให้ท่านทำหน้าที่ที่ที่เจอกันบ่อยเก็บรักษาเงินของวัดเงินหาย ให้เก็บรักษาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดเราไม่ได้ขโมยแ ต, แต่จำวัดมากไปหน่อยตื่นมาพระหายเราก็ไม่ได้โกงเราไม่ได้ขโมยแต่มันหายเงินในบัญชีมันก็หายไม่รู้ใครเอาไปและที่ระวังนะครับเพียรแดกไม่มีใครว่าไอ้กุฏิเรือนทรงไทยนี่ไฟไหม้นะครับ ไม่แล้วดับได้ไม่เป็นไรมเมื่อลรเลยก็ไม่แล้ววัดอะไรกันเลยเสียดายจังเลยนี่คือบกพร่องนะครับบกพร่องในหน้าที่มีโทษอะไรเขาเรียกว่ายอ่อหย่อนใช่ไห ม, ไมเมื่อยอ่อหย่อน ในการปฏิบัติหนะ้าที่ผู้มีอานาจแต่งตั้งให้ออกรับฐานท่านไปอ่านฐานอะไรย้อนความสามารถย้อนความสามารถเขาให้ออกเลยนะครับไม่สอบสวนด้วยแต่นี้อย่างออกจากวัด น, นี้ไปเป็นเจ้าวาดวัดอื่นได้ถ้าเขาไม่รู้ประวัติ เจ้าคณะจังหวัดนะครับมีสิทธิพิจารณาให้ท่านออกมีคำสั่งได้เลยกดมหาเถรสมาคมให้อำนาจเจ้าคณะจังหวัดผู้แต่งตั้งไว้ฐานท่านย่อนความสามารถมหาเถรสมาคมเมื่อแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดจังหวัดนี่แล้วท่านบริหารไม่ได้เกิดเรื่องเกิดราววมากมายมหาเถรสมาคมก็ให้เจ้าคณะจังหวัดออก เจ้าคณะภาคก็เหมือนกันแก้ปัญหาไม่ได้ในเขตภาคมหาเถรสมาคมก็ให้ออกไม่ต้องสอบไม่ต้องสวนเป็นเรื่องเคยมีมาแล้วทั้งสิ้นผมเพียงแต่จะไม่เอ่ยเท่านั้นเองว่าเป็นจังหวัดไหนภาคไหนแค่ข้อหนึ่งเท่านั้นครับออกเลยครับ และทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันควรอ่าผมผมพูดถึงย่อหย่อนก่อนนี่ข้อสี่ิบเอ็ดกมยี่สิบสี่ครับข้อสี่สิบเอ็ดการให้ออกจากตำแหน่งหน้าที่ให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งในกรณีของพวกท่านคือจาจังหวัดกระทำได้ในกรณีที่พระสังฆาธิการย่อนความสามารถ ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งของตนอยู่ในนุนพิลิตเนี่ยครับยอนความสามารถความสามารถไม่ถึงที่ผมพูดตอนต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านจังสต้องแสดงความสามารถอันนี้จำไว้เลยครับผู้มีงำนาจแต่งตั้งถ้าเป็นเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดมหาเทนนัมาคมให้ออกเลย ม, มีถ้าเป็นระดับลงเรา ล, ลงมาก็ตามลาดับใครว่าใครตั้งข้อ41นะครับละทิ้งหนะ้าที่โดยไม่มีเหตุผลอนะสมควรเกินกว่า30วันครับถอด น, นะครับทีนี้ถูกถอดถอนนะ อยู่ๆไม่รู้จะวาดอยู่ที่ไหนหาตัวไม่เจอนะไม่ลาไม่อะไรต่างๆเขาถอดเลยครับถือว่าละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุผลเราทุกคนเช่นอาพาธหรืออะไรก็นะก็ไม่มีอะไรนะหายไปเฉยๆไม่บกพร่องต่อหน้าที่ไม่ละทิ้งหน้าที่ไม่ทุจริตต่อหน้าที่ ทุจริตนี่ก็คืออย่างนี้ครับทุจริตต่อหน้าที่ก็คือการใช้อำนาจหน้าที่สแสวงหาผลประโยชน์หรือโกงเฝ้าสมบัติของวัดเฝ้าพระพุทธรูปแล้วก็ให้ แล้วก็เอาไปไว้ไหนก็ไม่รู้เบียดบงังมันจะมีโทษทั้งทางกฎหมายโทษทางจริยาพระสังฆาธิการเดี๋ยวก็จะพูดกันต่อไปเอาละครับท่านมีหน้าที่ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอย่าให้หมกพร่องอย่าละทิ้งและอย่าทุจริตทีนี้มาถึงเรื่องอำนาจครับวะโสอิสาริยังโลเก อำนาจเป็นใหญ่ในโลกอำนาจทำให้เคลื่อนย้ายภูเขาทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงถ้าท่านมีน้ำใจที่ต่อชาวบ้านชุมชนต่อวัดตั้งใจทำประโยชน์ให้กับวัดให้กับชุมชนตำบลหมู่บ้าน ถือว่าเรามาครองอำนาจแล้วอย่าให้เสียเปล่าอย่าให้เสียของใช้อำนาจเนี่ยสร้างประโยชน์อะไรขึ้นมาฝากไว้ในโลกนี้ฝากไว้ในวัดของท่านฝากไว้กับคนในหมู่บ้านหรือที่ไหนก็ตามมีอำนาจแล้วไม่ใช้ไม่ทำเสียโอกาสเสียของให้คนที่เขาใช้เป็นมาเป็นยังจะดีกว่า เพราะเขาจะได้สร้างประโยชน์แก่ประชาชนในหลวงราชาการที่9ก้าเมื่อขึ้นคลองราช70กว่าปีที่ผ่านมาประกาศเลยว่าจะใช้อำนาจเนี่ยเพื่อประโยชน์ประถมบรมราชโองการนี่คือการประกาศนั้นว่าเราจะคลองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ในรัชการของพระองค์ในประชาชนพระสงฆนิกรพระเถนเนชีได้ประโยชน์ภายสัย่แต่ท่านไม่ต้องไปขึ้นป้ายนะเราจะครองวัดโดยธรรมันจะเวอร์นะ<笑>นึกในใจก็พอเดี๋ยวทำไม่ได้ก็จะมาไล่ท่านดิ<笑>ไม่ใช่嘛ฟังจากน้ภาักแล้วไฟแรงนขะึ้นเลยนะ<笑>ไม่ต้องประกาศท่านแต่นึกในใจว่า เราจะครองวัดเพื่อประโยชน์สุขของคนในหมู่บ้านญาติพี่น้องใครกับตังพทุทธเจ้าเนี่ยทําประโยชน์สามอย่างนะครับหนึ่งยาตัทธะจริยาทําประโยชน์แก่หมู่ญาติสองพุทธะจริยาทําประโยชน์แก่ชาวพุทธสามโลกัทธะจริยาทําประโยชน์แก่ชาวโลกเราแค่ทําประโยชน์แก่ ชาวพุทธในชุมชนรอบวัดทำประโยชน์แก่ญาติมิตรก็ถือว่าทำหน้าที่ได้เยอะครับเอาละพอเราจะทำประโยชน์อย่างที่ว่าเนี่ยมีอำนาจอะไรครับอำนาจมาจากสองอย่างนะครับอำนาจโดยตำแหน่งมาจากตำแหน่งเรียกพระเดชดาบอาญาสิทธ 2. อ, อำนาจมาจากพระคุณอำนาจมาจากคุณงามความดีสองอย่างเนี่ยครับเราต้องใช้อย่างฉลาดพระเดชใช้มากไปไม่ขลังรู่เขาอยู่เรื่อยเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธออะไรเนี่ยเด็กมันไม่กลัวเขาเลยดื้อไม่เรครับ เราต้องใช้พระคุณมากพระในวัดเราเนี่ยเราจะปกคล้องเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาแต่พระเดชเขาเรียกไมเรโยวต้องใช้พระคุณปักคันเหปักะหารหังยกย่องคนที่ควรยกย่องนิคันเหนิขหารหังกำราบคนที่ควรกำราบ ก, กำราบนี่ใช้พระเดชยกย่องชมเชยใช้พระคุณ ให้รางวัลสมณีทำดีแจกของให้สอบได้มีรางวัลให้นี่เป็นพระคุณทำไม่ดีลงโทษนี่เป็นพระเดชแต่บางทีเราไม่ต้องลงโทษหรอกถ้าเขาไม่ลงทำวัดสวดบน่นเราให้รางวัลแก่คนที่ไม่ขาดไม่อะไรต่าก็เป็นพระคุณแล้วแต่ เราจะเปลี่ยนพฤติกรรมของคนด้วยวิธีไหนพระเดชพระคุณบางแห่งบางท่านใช้พระเดชมากไปมันเป็นของแข็งเราบา ร, รมียังไม่ถึงเพิ่งเป็นเจ้าวาดใหม่เนี่ยนะครับบางทีก็มีคนลองดีเราสวนฉะนั้นอาจจะต้องเริ่มด้วยพระคุณด้วยทำประโยชน์ก่อน ในหลวงราัชากาลที่เก้าทรงเริ่มด้วยโครงการตามแนวพระราชดำริทำมาเรื่อยๆนะครับจนสวนคนเนี่ยสี่พันกว่าโครงการอำนาจของพระองค์ล้นฟ้าถ้าพูดตามกฎหมายอำนาจในหลวงไม่มากนะครับเป็นกษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญในหลวงรัชกาลที่เก้า อำนาจในการปกครองเป็นของคณะรัฐบาลบริหารอำนาจในการบัญญัติกฎหมายในหลวงได้แต่เซ็นนะครับกฎหมายจะเป็นอย่งางไรอยู่ที่นิติ บ, บัญญัติสภาผู้แทนอำนาจในการตัดสินลงโทษเป็นเรื่องของศาลพระองค์กระจายอำนาจให้หมด แต่ประเทศไทยเนี่ยในสมัยรัชกาลที่เก้าฟังแต่พระโอษมาจากพระคุณเป็นส่วนใหญ่ฉะนั้นเป็นเจ้าวาดนะครับอย่าลักโอกาสในการทำพระคุณใครจะมาอยู่ในวัดของท่านเมื่อท่านไม่ได้เป็นอุปชาท่านต้องเป็นผู้สวด เป็นกรรมาวาจาจารย์หรืออนุสาวนาจารย์เหมือนกับเป็นพี่ผู้ปกครองเป็นอุปชาเหมือนพ่อแม่กฎเรื่องการนั่งอุปชาเขาจึงเขียนว่าเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะจังหวัดจะไปบวชนั่งเป็นอุปชาในวัดใดต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าวาดวันนั้นก่อน ไม่ใช่เอาใครที่ไหนก็ไม่รู้มาบวชแล้วก็มาฝากไว้กับวัดเราปกครองไม่ได้และเราก็ไม่มีสิทธิ์เลือกเขาให้อำนาจท่านในการรับคนเข้ามาอยู่ในวัดฉะนั้นท่านต้องใช้สิทธิ์อันนี้ให้ดีบ้าตราสาสิเจ็ดนะครับ มาตราสาที่แปดผมพูดถึงอำนาจก็แล้วกันวงเว็บหนึ่งห้ามบันทึกข่าซึ่งไมได้รับอนุญาตเจ้าวาด เ, เข้าไปอยู่ในวัดเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นว่ามันไม่เ้าท่าไม่รับมาสร้างปัญหาเรามีอำนาจตามกฎหมายด้วยพรมคณะสงฆ์ไม่ใช่วะ ใครก็ไม่รู้มาขอบวชแล้วไม่มาขอเราโน่นวิ่งไปหาระชาจากหน้าตำบนแล้วก็จะมาให้รับไม่ได้สอบสวนก่อนติดยอย่างป่ะเป็นอัญญากรมาหนีมาบวชไหมและถ้าท่านไม่ทำหน้าที่ไม่ไม่ดูแลไม่ใช้อำนาจตรงนี้เกิดปัญหาขึ้นถือว่าย่อหย่อ น, นะ พระเนรมาอยู่ในวัดไม่เรียนหนังสือไม่ทาหน้าที่ท่านมีอำนาจสั่งให้ทั้งพระเนรทั้งหลุกศิษย์ทาหน้าที่เรียนหรือปฏิบัติงานของวัดที่สั่งโดยชอบธรรมและถ้าไม่ทำไม่อยู่ในโอว่าเรามีสิทธิ์สั่งให้ออกไปจากวัดเห็นไหมครับอานาจเรามี ในขณะที่อยู่ในวัด ส, สั่งอะไรครับสั่งให้ทำงานในวัดถ้าทำผิดทำทันบนขอขมาโทษเมื่อประพฤติเมื่อเมื่อไม่ประพฤติตามคำสั่งโดยชอบด้วยพระธรรมวินัยกฎมหาเทรสมาคมข้อบังคับเรียกคำสั่งของมหาเทศสมาคมฉะนั้นประเด็นอยู่ตัวนี้ครับ ไอ้อคำสั่งโดยชอบเนี่ยคือชอบด้วยพระธรรมวินยัยชอบด้วยกฎหมายแล้วถ้าท่านไม่รู้กฎหมายไปสั่งสเปดสปาสั่งมั่วเรามีโทษนะท่านต้องรู้จะอ้ากว่าไม่รู้กฎหมายเลยสั่งไปอย่างนั้นมีคำสั่งเนี่ยดีไม่ดีคำสั่งนั้นไม่มีผลในทางปฏิบัติเรียกโมคะเราหน้าแต่ เราสั่งลงโทษได้แค่ทำทันบนหรือให้ขอขามาไปเคี่ยนไปตีลูกศิษย์วัดหนักเกินไปเจอคดีครับยกเว้นแต่เรามีพระคุณเด็กมันไม่เอาความแบบพ่อแม่เขาไม่เอาเรื่องแต่กฎหมายเขาให้แค่นี้สมัยก่อนเนี่ยครูตีนักเรียนไม่มีใครว่าเดี๋ยวนี้ตีนักเรียนลงโทษมากขึ้นศาลครับ พ่อแม่ไม่ยอมเขาหัวหมอกันฉะนั้นท่านต้องศึกษากฎหมายมีความรู้เรื่องกฎหมายเรื่องกฎมอสเรื่องระเบียบคำสั่งว่าเอื้อให้ท่านทำประโยชน์ได้อะไรบ้างไอทำหน้าที่ใช้อำนาจได้แค่ไหนเมื่อสั่งโดยชอบเพราะเรารู้ดิเขาให้เราทำได้แค่ไหนแล้ว ผู้รับคำสั่งฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามท่านมีสิทธิ์ลงโทษได้แค่ไหนรู้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าท่านพอเขาไม่ปฏิบัติเราสั่งโดยชอบเราไปลงโทษเกินอำนาจโดนฟ้องขึ้นมาเราจะรุดเองรุดจากตำแหน่งเห็นไหมครับอย่าทำเกินอำนาจอย่าเลยโถง ถามว่าถ้าเราสั่งให้เขาทำงานแล้วเขาก็ไม่ทาไม่อยู่เดีย ว, ว่าเรามีอำนาจลงโทษเขาอย่างไรในเรื่องของการลงโทษอย่างไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดต่อผมให้ท่านดูเรื่องหน้าที่ก่อนครับหน้าที่ของเจ้าว่านใบตราสามสิบเจ็ด บำรุงรักษาวัดจัดกิจการาศาสนสมบัติของวัดเป็นเปด้ ว, วยเรื่อโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องรรรรทรัพย์สินพุทธรูปรแรงตางนะครับข้อสองครับปกครองเป็นเรื่องปกครองข้อสามเป็นเรื่องของการศรึกษาอบรมและก็เผยแผ่ ส, รรรส่วนข้อสี่เป็นเรื่องสาธารณะสมเพล่ สรุปแล้วท่านทาหน้าที่6ด้านครับปกครองศึกษาเผยแพร่สาสารณะสงเพราะเดียว<อ>ของเจ้าวาดก่อนนะครับสรุปงานของเจ้าวาดในวัดนะครับ รวมถึงจังหวัดตำบนด้วยท่านต้องทําหน้าที่อย่าให้บมกพร่องอย่าให้มันย่อหย่อนด้านการปกครองาศาสนศึกษาศึกษ า, กษาสมเพราะห์ปกครองนี่กระชัดนะครับเมื่อกี้พูดนะศาสนศึกษาหมายถึงเรียนบาลีเรียนนักธรรมวัดเราไม่ใช่สํานักเรียนก็ส่งไปเรียน ในเขตตำบลหรือในเขตอำเภอเรียนบาลีเรียนนักธรรมมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งครับบางวัดไม่มีทั้งบาลีไม่มีทั้งนักธรรมเวลาจะตั้งเป็นเจ้าคะตำบลหรือจะขอสมณศักดิ์เขามไม่ให้ไม่มีผลงานด้านการศึกษาเขาบอกว่าไม่มีนักธรรมไม่มีบาลี ขอให้มีรรมาศึกษาก็ยังนี้ท่านจำไหมนะครับสอบท ร, รมาศึกษาให้เด็กให้โรงเรียนอะไรต่างๆไปสอบในานาวัดท่านศึกษาสมเคราะห์ที่ขาดไม่ได้คือทุนการศึกษาวัดจะต้องตั้งทุนแจกทุนไม่ตั้งทุนไม่แจกทุนเวลาขอความดีความชอบไม่ได้ ตั้งชื่อบัญชีผิดเป็นมู ล, ลนิธิก็ไม่ได้รายละเอนนะฮะรายละเอียดพวกนี้ท่านจะต้องฟังวิทยากรซึ่งสารสำค์ยังรวมไปถึงโรงเรียนพุทธนาวันอาทิตย์โรงเรียนการกุศลของวัดและสร้างอาคารเรียนข้อสี่เผยแผ่ทั้งในเรื่องของการเทศการสอนและนั่งกรรมฐาน ข้อห้าเรื่องการก่อสร้างซ่อมแซมบูรณะปฏิสังขรเขาจะบอกว่าถ้าท่านจะได้สมณศาักดิ์จะต้องมอีการก่อสร้างเป็นเงินเท่าไหรเท่าไรท่านก็ไปศึกษาดูข้อ6กสาธารณสงเคราะห์สาธรณสงเคราะห์อาจจะแค่งานในวัดก็ได้เลือกบำเพ็ญสาธารณกุศล คนมาเผาศพช่วยสงเคราะห์คนไม่มีโรงศพไม่มีอะไรต่างกันไหนน้ำท่วมไฟไหมของชาวบ้านนะครับรอบๆวัดท่านออกไปดูไปช่วยพัฒนาอาชีพชาวบ้านทำนาทำไรไม่ค่อยมีความรู้ศัตรูพืชเป็นยังไงเราไม่มีสิทธิ์ไปสอนตรงเอาเกษตรอำเภอเอา โดยจะหาแรงงานมาที่วัดและให้เขาช่วยแนะนำชาวบ้านางนี้ก็ไดเป็นสาธารณสงเพราะ์ในในหกด้านเนี่ยเป็นเรื่องของเออจ้าวาดนะครับทีนี้ผมขอแถมเรื่องเจ้าคณะตำบลหน่อยเพราะในในนี้เรามีเจ้าคณะตำบล หรือตัวท่านทั้งหลายต่อไปจะต้องขึ้นปเป็นคนะตำบเลเ้วยนะเขาทำอะไร <c oughs> ในอำนาจหน้าที่ของเจ้าคณะตำบล น, นะครับท่านกำหนดไว้ว่าเจ้าคณะตำบล ให้มีหน้าที่ในใคล้ายๆนะครับนี่เจ้าคณะนี่ครับเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอมีหน้าที่อย่างนี้ครับก็ส่งเสริมเรื่องการปกครองดำเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยไม่ได้ล้วงลูกไปถึงวัดแต่เจ้าหน้าที่ตำบล สั่งการถ้าเกิดปัญหาในวัดไหนให้เจ้าว่าดเนี่ยดูแลให้เรียบร้อยควบคุมส่งเสริมเรื่องการศึกษาศึกษาส่งเคราะ์เผยแผ่รูปการชนะส่งเคราะห์ก็คืองานปกด้า น, นข้าหนึ่งข้อ2แต่ว่าดูแลทั้งตำบลข้อ3ครับรังนับอธิกรวินิจฉัยการลงนิคากรรมวินิจฉัยข้ออุทธรคำสั่งหรือคาวินิจฉัยชั้นเจ้าคณนะ เวลาพระทําความผิดเนี่ยนะครับในวัดเนี่ยเจ้าอาวาสเหมือนตำรวจรับแจ้งความแต่ผู้ที่ทําหน้าที่เป็นศาลเนี่ยคือเจ้าคณะตำบลผิดวินัยนะครับลายแรงเนี่ยคลุกการบัตรขั้นตอนในเรื่องของการรับแจ้งความการทําสํานวนการสรอบสวนอยู่ในกฎนิพากรรมครับ ตรงนี้แหละที่ท่านจะต้องมีความรู้กฎนิกรรมคืออะไรอย่างไรเป็นเรื่องของเหมือนกับสารสงข้อสี่ครับแก้ไขข้อขัดข้อของเจ้าคณะหรือให้เป็นไปโดยชอบในฐานะเจ้าคณะตะบนท่านแก้ไขข้อขัดข้อของเจ้าวาดเวลาเจ้าวาดรู้ไว้ตรงนี้นะครับ เจอปัญหาบางเรื่องแก้เองไม่ได้หรือขาดความเข้าใจที่ถูกต้องปรึกษาเจ้าคณะตำบลอย่าไปทำอะไรศุ้มสี่ซมห้าผิดพลาดแล้วเราเป็นเจ้าวาดใหม่มันจะเจอรึกยศจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเมื่อท่านมีข้อขัดข้องในฐานะเจ้าวาดปรึกษ า, จาเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะตำบลมีหน้าที่ช่วยแก้ไขข้อขัดข้ อ, องของวัด ให้คำแนะนำและถ้าเจ้าคณะตำบลเองก็จนปัญญามีข้อขัดข้องไม่รู้จะแนะนำาไียก็ถามจากคณะอำเภอถามจากคณะจังหวัดวัดบางวัดมีปัญหานะครับเจาา้าคณะตำบลมีปัญหาจากคณะอำเภอก็ไม่รู้จะแก้ไงก็ต้องไปถึงเจ้าคณะจังหวัดลงไปช่วยแก้ไขข้อขัดข้อ บางเรื่องมันเป็นปัญหาใหญ่ครับถึงเจ้าคณะภาคเลยบางวัดเนี่ยทั้งอบอตอทั้งผู้อานวยการโรงเรียนอะไรทะเลาะกันวุ่นวายหมดกับวัดเจ้าคณะใหญ่ได้รับการร้องเรียนเจ้าได้ผลหกลางนะครับบอกเจ้าคณะภาคไปดูเลยสิผมต้องลงไปดูปรากฏว่าทางอบอตอก็ต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปคุม อามาตนะทางนายกอามาตเนี่ยผู้ว่าเป็นคุมทางโรงเรียนต้องให้อธิบดีนะสมัยนั้นอธิบดีผมให้อธิบดีช่วยไปปราบหน่อยมันจึงยุติอธิบดีอยู่นู่นในกระทรวงนุ่นเจ้าคณะจังหวัดก็ไปไม่ถึงต้องอาศัยบา ร, รมีเจ้าคณะภาคเห็นไหมครับปัญหาบางอย่างบางเรื่องเนี่ยท่านอย่าไป โอ้ยกลัวจะมีปัญหาก็เลยซุกไว้ใต้โต๊ะมีข้อขัดข้องแก้ไขไม่ได้อย่าไปทำนะครับมันจะกลายเป็นหมกพร่องถ้าทำไม่ได้บอกจ้าหนะาตำบนเจ้าหณะาอำเภอเจ้าหน้าจังหวัดตามลำดับข้อสี่นะครับข้อห้าถ้าท่านเป็นจเจ้าอาวาตก็ควบคุมบัคประชาจะเจ้าอาวาส ตลอดถึงพระภิกษุสามเณรในเขตวัดในตำบลท่านอย่าไปก้าวไายนอกตำบลท่านกันแนละ้วกันมันเกิอนอำนาจหน้าที่ข้อหกตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตนออกไปตรวจวัดเยี่ยมวัดในเขตของท่านบางทีรอแก้ไขข้อขัดข้องรอรายงานเขาไม่รายงานมาแต่ ได้ข่าวว่ามันมีปัญหาตนุ้เราลงไปเลยลูเร็วขึ้นครับไม่มีเวลาก็ส่งเลขาไปและที่สำคัญนะครับท่านต้องประชุมในรอบปีนี่เขาให้ประชุมกี่ครั้งสองสามครั้งท่านต้องทำบันทึกการประชุมมีบ่อยนะครับเจ้าคณะตำบลขอเลื่อนสมณสาร ไปถึงเจ้าคณะใหญ่ขลกลางเข้าขมสไม่ผ่านเพราะงานในหน้าที่เจ้าวาดเนี่ยทำดีครับแต่ขอเป็นเจ้าคณะตำบลชั้นเอกเขาไม่ให้เพราะไม่มีไม่ได้ทำผลงานในฐานะเจ้าคณะตมบลท่านไปทำผลงานในฐานะเจ้าวาดเยอะขอสร้างนู่นสร้างนี่แต่ขอเป็นเจ้าคณะตำบลชั้นเอกเนี่ย ไม่มีผลงานคืออะไรประชุมเหรอไม่เคยประชุมวัดในเขตปกครองเลยแล้วไม่มีหลักฐานการประชุมอะไรตะตกครับผมเสนอไปในที่ประชุมเจ้าคณะภาคนั่งตาปิดปลิดก็ไม่เคยทำงานแล้วเขาจะให้ยกย่องในฐานะเจาา้าคณะตำบลได้อย่างไรนี่เขาเรียกว่าในหน้าที่ท่านต้องดูแลให้หมันครบถ้วนนะครับ อำนาจ ห, ห, หน้าที่หน้าหน้าที่ของเจ้าคณะเนี่ยหกข้อทีนี้มาถึงหน้าที่ของเจ้าว่าที่ผมล่าสุดครับมติมหาเทรสมาคมออกมาเมื่อวันที่สามสิบพฤศจิกายนปีหกศูนที่ผ่านมาสมเด็จพระสังฆราชทรงปารกในที่ประชุมแล้วก็มีมติออกมา สามข้อหนึ่งให้พระสังฆาธิการทุกระดับนะครับทบทวนการปฏิบัติตามกฎมสฉบับยี่สิบสามยี่สิบสี่และเรื่อง ก, การแต่งตั้งถอด ถ, ถอนพระบูชาให้ไปจะบอกว่าไม่รู้แล้วไม่ปฏิบัติไม่ได้นะครับท่านจะต้องไปอ่านให้ตลอดเลยกฎยี่สิบสามยี่สิบสี่นี่เพิ่งมีมีปติมาเมื่อสามสี่เดือนที่แล้วเนี่ย ยิ่เรามาเป็นใหม่ต้องอ่านให้ตลอดไม่เข้าใจก็ถามมียากรที่นี่รวมถึงกฎที่สิบเจ็ดกฎยี่สิบสามยิบสี่สิบเจ็ดสิบเจ็นี่เกี่ยวกับเรื่องอุปชาแต่เรื่องอุปชาเป็นเกี่ยวกับเจ้าวาดนะครับเราก็ได้เป็นอุปชาแต่ว่าต้องอ่านข้อ2องครับในในคำแมตติมอสข้อ2ให้พระสังฆาธิการและพระอุปชาเห็นไหมครับ ในที่นี้คือให้เจ้าวาดพระอุปชาถ้าเป็นประสังพาธิการระดับสูงก็ว่ากันไปแต่พวกเราเนี่ยให้เจ้าวาดและพระอุปชาเพิ่มความเข้มงวดขวดขันในการปกครองควบคุมสอดส่องดูแลอบรมพระพิสุทธิสมนเูรในปกครองตามพรบคณะสงฆ์กฎมติประกาศพระปัญชาเธ์หรพระ อ, ๆๆอย่าเท่งนัทตรงท้ายเนี่ยนะครับและเพิ่มความละเอียดถี่ท้วนในการคัดกรองผู้ขอเข้าบัญชาติสมบัติ ให้จะมาบวชนี่เราต้องคัดกรองนะครับไม่ใช่ว่าเกรงใจญาติโยมเอาคนติดยาเสพติดเอาอาทยากรมาบวชบกพร่องย่อหย่อนนะครับซึ่งข้อสามก่อนนะครับในผลจะขยะับให้พระสังฆาธีการและพระยา ก, กำหนดหลักเกณฑ์อบรมพระพิสูจในปกครองให้เป็นที่พึ่งทางใจและทางสติปัญญาประชาชนระเพงกิจเพื่อประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติ ใครบวชเข้ามานะครับให้จัดการอบรมมหาเถรสมาคมออกหลักสูตรแะครับบวชสิบห้าวันเป็นอย่างน้อยสามสิบวันมีหลักสูตรว่าสิบห้าวันให้อบรมอะไรสามสิบวันให้อบรมเรื่องอะไรท่านไปเอาข้อมูลจากสำนักพุทธได้กฎสิบเจ็ดนะครับเจ้าหน้าท บ, บต้องดูเลยข้อสิบสาม พระอุปชาต้องพบและสอบสวนกุลบุตรให้ได้คุณลักษณะก่อนจึงรับให้บรรพชาบทสมบทได้คุณลักษณะของกุลบุตรนั้นออีกข้อหนึ่งข้อสิบสี่ครับห้ามให้การบรรพชาแก่บุคคลต้องบรรพชาบทสมบทแก่บุคคลต้องห้ามเหล่านี้หนึงคนทําความผิดหลบหนีอาญาแผ่นดิน 2. หลบนีราชการ3ต้องหาในคดีอาญา 4. ีเคยถูกตัดสินจำคุกโดยฐานเป็นผู้ร้ายสำคัญถ้าเราไม่สอบสวนไม่ตรวจสอบถามว่าใครตรวจสอบครับอุปชาตรวจสอบและถ้านั่นคือบวชในวัดอุปชานะครับถ้าบวชในวัดอื่นที่ไม่ได้อุปชาแค่ตัวรัฐบนอยู่วันนี้แต่ไปบวชในวัดหนึ่ง เจ้าอาวาสต้องเป็นคนสอบสวนแทนกรอบประวัติและนำไปส่งมอบให้อุปชาอีกทีหนึ่งเขาเขียนไว้ในกฎนะครับในกฎสิบเจ็ดเพราะฉะนั้นท่านก็จะต้องไปศึกษาเพื่อไม่เอาคนที่ทำความผิดหลบหนีคดีหลบหนีราชาการต้องหาคดีอาญาโดยเฉพาะติดยาเสพติดเนี่ยนะครับเคยต้อง ต้องหาคดียาเสพติดอะไรต่างเข้ามาต้องระวังครับอันนี้ผมพูดถึงอำนาจหน้าที่นะครับต่อไปขอพูดเรื่องการบริหารวัดสำหรับเจ้าวาดใหม่เจ้าคณะตำบลใหม่อำนาหน้าที่ยังไม่จบนะครับแต่ผมพูดตรงนี้ก่อน คือเมื่อท่านเป็นใหม่เนี่ยเราอยากทำงานแต่บางทีนะครับมันไม่รู้จะเริ่มตรงไหนคำแนะนำนะครับซึ่งผมเป็นเจ้าวาดมาก่อนเนี่ยให้วิเคราะห์สี่เรื่องหนึ่งในวัดของท่านมีอะไรเป็นจุดเด่นตัวจเจ้าวาดเองเก่งในเรื่องไหน วิะหตจุดเด่นตัวเองก่อนวัดเรามีจุดแข็งในเรื่องอะไรที่พร้อมมีความพร้อมคำว่าจุดเด่นคือความพร้อมที่จะทำงานในหกด้านเนี่ยท่านพร้อมด้านไหนปกครองศึกษาเรื่อยมาเรื่อยสมมุติว่าถ้าท่านเป็นป ร, ริญญท่านมีจุดเด่นเรื่องส่วนตัวนะครับาศาสนศึกษาเออมองเพราะฉะนั้นจะสังเกตไหมถ้าใครเรียนเก่งมี วุฒิการศึกษานึกถึงเรื่องเปิดโรงเรียนบาลีนักธรรมเพราะเขาเชื่อเขาทําได้เมื่อเร็วๆนี้ผมตั้งเจ้าวาพระรามหลว ง, งไปไ ป, ไปร่วมในพิธีตั้งเจ้าวาดพระโรงในเขตภาคเจ้าวาดเป็นประโยชนเก้าท่านพูดเลยผมจะเปิดสํานักเรียนบาลีเพราะท่านมีจุดเด่นในส่วนตัวท่านจบประโยคนเก้าและท่านสอนบาลีจุดเด่น บางท่านถนัดในเรื่องของการก่อสร้างก็จะเน้กลึง ก, ก่อสร้าง <c oughs> บางท่านถนัดเรื่อง <c oughs> เทศเรื่องเผยแผ่เป็นนักเทศ <c oughs> ก็จะทำเรื่องนั้นนี่เป็นเรื่องปกติซึ่งอยู่ในใจพวกเราทุกคนแต่มันไม่ถูกต้องเสมอไปบางทีวัดไม่ได้ต้องการเรื่องที่ท่านอยากทำหรือทำได้ วัดสุดโสมละเกินจะพังแหล่ไม่พังแหล่แต่ท่านจะไปนึกเรื่องการเทศมันไม่ได้ถึงตอนนั้นเนี่ยมันมาข้อที่สองจุดด้อยครับวัดของท่านมีปัญหามีจุดด้อยอะไรที่ต้องรีบแก้ไขโดยเร็วเป็นแหล่งเสื่อมโซมเขตวัดกับเขตบ้านแยกกันไม่ออก บางทีโยมลุกเข้ามาในวัดเนี่ยเราไปไล่เขาเรามีอํานาจไหมแต่อย่างน้อยมันต้องหยุดเขตเนี่ยแล้วความสะอาดอารามมันอยู่ตรงไหนวัดเรามีจุดด้อยตัวท่านเองเนี่ยสมมุติจะไปแก้ปัญหาเรื่องสารอุปการเรื่องการก่อสร้างท่านเก่งหรือเปล่าไม่เก่งเออเรามีจุดด้อยอีกแล้วแล้วเราจะให้ใครมาช่วย มันจะเป็นต่อไปคนมาช่วยคือโอกาสบางทีเราอยากจะทำแต่เรามีจุดด้อยมีคนมาเสนอสนับสนุนให้ท่านแล้วทำไมท่านไม่ทำน้ำขึ้นให้รีบตับเราอยากจะปรับปรุงลานวัดอะไรต่างๆให้มันสะอาดเรียบร้อยบังเ อ, อิญมีเจ้าภาพมาพอดี อยากจะถวายให้ท่านสร้างอะไรก็ได้เป็นโอกาสครับโอกาสคือสิ่งที่คนเสนอมาช่วยเราหรือนโยบายของคณะสงฆ์มันตรงกับที่เราต้องการเขาเรียกโอกาสแต่เจ้าวาดใหม่บางรูปจ้าหน้าทบลใหม่บางรูปไม่มีโอกาสมีแต่อุปสรรคครับจะทําอะไรก็ค้านหมด พระเก่าก็ค้านโยมก็ค้านในในห้าเรื่องนี่นะถ้าทําเรื่องหนึ่งสองสามไม่ค้านแต่พอเราจะทำไอ้สิ่งที่มันเป็นปัญหาค้านเราก็จะต้องดูว่าไอ้ที่เขาค้านเนี่ยควรจะลุยหรือว่าควรจะถอยเห็นไหมครับรับตําแหน่งใหม่ไปลุยไอ้สิ่งที่มันมีค้านเยอะ เปลืองตัวและเราบารมียังไม่พอดีไม่ดีไฟแรงเกินไฟดับทำไมไม่ทำไอ้ที่มันมีโอกาสที่มันมีจุดเด่นผสมกันฉลุยเลยครับผ่านเลยและมีผลงานอ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเราวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยโอกาสอุปสรรคเราก็ปรับปรับกลยุทธ์คือวิธีทำงาน เรื่องไหนที่เรามีจุดเด่นและมีโอกาสรีบทํครับทก่อนเรื่องนี้เราพร้อมเงินพร้อมวัดมีเงินมีความพร้อมมีที่แล้วโยมมาเสน อ, อสมมติว่าเราวัดเหนมีที่ดินแล้วโยมเอาปัจจัยมาเพื่อให้ท่านสร้างอะไรบางอย่างเป็นโอกาสรีบทํครับ ทักช้ายโยกเปลี่ยนใจไปถวายวัดอื่นแล้วจะเสียใจเรามีจุดเด่นวัดเรามีความพร้อมมีพระเนรมี่อไรอยากจะเปิดสํานักเรียนบาลีหรือนักธรรมมีมหาป ร, รียญมีครูบาอาจารย์จากวัดอื่นอาสามาช่วยหรือนโยบายจากน้าจังหวัดท่านบอกส่งเสริมการศึกษานะเดี๋ยวผมจะส่งพระมาช่วยสอน ทำไมไม่ทำเขาเรียกโอกาสอันที่สองครับเรามีจุดเด่นแต่มีอุปสรรครอไปก่อนเราเราเป็นเจ้าวาดใหม่นะครับเราพร้อมที่จะทำ แต่คนค้านมันเยอะอย่าเพิ่งทำรอให้คนค้านมันมันค่อยเขาเรียกะไรมาเป็นพวกเราหรือไม่ก็หมดพลังไปก่อนไปทำอันประเภทที่มันไม่มีค้านมากผมเป็นเจ้าวาดใหม่ๆนะครับโอ้ยสิ่งที่ผมอยากทำมากก็คือไ อ, ไอ้พวกหมาจอดจัดที่มาปล่อยเปร้อยร้อยตัวเี่ย ทิ้งกลับระเบิดไว้เต็มหมดญาติโยมมาก็บนผมก็คิดว่าจะทำที่เลี้ยงสุนัข ก, กันไว้ที่ไทยมาปล่อยก็ไว้ตรงนั้นมีเจ้าภาพเลยท่า mm hmm. เจ้าภาพพร้อมที่จะสร้างโรงบริจาคเลี้ยงสุนัขไว้ไม่ให้ไปเกาะกวนชาวบ้านแต่ปรากฏว่า ผู้ช่วยจเจ้าวาดผมสิบกว่ารูปคานทุกรูปเลยครับเพราะทุกรูปเลี้ยงสุนักเองครับเออทุกคณะมีสุนักมีมาหมดแล้วก็ปล่อยมาเนี่ยผมต้องไปทำความพระาใจรอไปก่อนโยมยังไม่ต้องเดี๋ยวคุยกันพระให้รู้เรื่องก่อนตอนหลังไม่ต้องทำเลยครับพอพัฒนาวัดให้งดงานสุนัก เขาเก็บของใครของมันเขาไม่ให้มายุ่งเลยวัดสะอาดไปเองเออผมไม่นำทำเลยเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกรอบางทีสถานการณ์มันเปลี่ยนทีนี้ระวังอยู่เรื่องหนึ่งครับถ้าท่านไม่รอไม่พร้อมแต่อยากทำ ท่านเสี่ยงถามว่าพร้อมที่จะเสี่ยงไหมเออบางรูปใจถึงครับลุยก็ไม่ว่ากันแต่ท่านต้องรู้อ่ะมันเสี่ยงอะไรแล้วมันคุ้มไหมคําว่าเสี่ยงหมายถึงอะไรครับหมายถึงสิ่งที่ขัดขวางไม่ให้ท่านให้ท่านทํางานสําเร็จไม่ใช่เสี่ยงทั่วๆไปนะครับคําว่าเสี่ยงเนี่ย เหมือนกับว่าท่านจะตั้งสำนักเรียนนักธรรมบาลีขึ้นมาเสียงคือไม่มีคนเรียนมีคนบริจาคมีครูสอนแต่เน้นหาไม่ได้เดี๋ยวนี้นะนะไม่มีใครบวชแล้วถ้าเกิดไม่มีเนนมาเรียนเนี่ยโดนด่าเนี่ยเราพร้อมโดนด่าไหมเอาเงินมาถลุกเนี่ยท่านสร้างอะไรขึ้นมาแปลกๆถามว่ามันเสียง ที่จะโค่นที่จะล้มอันตรายมากไหมบางทีเนี่ยครับบางวัเดเนี่ยสร้างเอาไาใหญ่โตเลยครับให้คนขึ้นไปบูชาแล้วมันโค่นมันลม้มมทับคนตายก็มีใหญ่ที่สุดก่อนทาเนี่ยท่านคิดไหมว่ามันจะล้มมันจะโค่น การที่เราคิดก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าบริหารความเสี่ยงอย่าปล่อยให้ความเสี่ยงมันเกิดขึ้นโดยที่เรารู้ไม่รู้เท่าทันท่านจะต้องคิดหน้าคิดหลังอ่ะเรื่องการเงินท่านท่านไว้ใจคนคนนี้แล้วเกิดให้เขาเป็นวัยาวาจกอนเก็บรักษาเงินทาบัญชี ถามว่าเสี่ยงไหมเสี่ยงเขาโกงเรารู้ไหมวันดีขึ้นดีเขาหอบเงินหนีหมดท่านจะทํำยังไงไว้ไวไวว้้ใจกันนี่แหละเพราะฉะนั้นท่านจะต้องบริหารความเสี่ยงอย่าปล่อยให้ความเสี่ยงมันอยู่ไปตามบุดตามกำรร ม, มันหนีเมื่อไรเราก็เจ๊งไม่ใช่ครับ เขาให้ท่านบริหารความเสี่ยงสี่อย่างครับเลือกเอาหนึ่งท่านสามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ไหมถ้าได้รีบทำผมเป็นเจ้าวาดใหม่ๆเจดีมันจะพังสูงหกสิบเมตรถ้าพังลงมาเนี่ยอันตรายมาก เพราะฉะนั้นผมไม่เสี่ยงให้เจดีย์พังเพราะว่าสูงที่สุดในกรุงเทพสมัยนั้นที่วัดผมเนี่ยพระธาตุพนมเนี่ยพังลงมาเพราะเจะ้าวาดไม่บริหารความเสียงร้องไห้กันระงมเลยในภาคอีสานเมื่อพระธาตุพนมซุดลงมาเนี่ยเพราะว่าถ้าขึ้นไปดูพระธาตุพนมจะเห็นมันมีรอยแตก แล้วฝนมันตกลงมาน้ำมันไหลไปตามรอยแตกเนี่ยมันอุ้มน้ำเอาไว้น้ำมันไหลเข้าไปผมศึกษาพระธาตุพนมแล้วมาดูเจดีผมโอ้มันมีรอยแตกถ้าเราไม่ปิดไม่ทำอะไรซะก่อนน้ำมันจะเข้าเข้าเข้ า, ข า, ข า, ขาในสุดเละยุ่ยพังไม่ปล่อยตามบุญตามกรรมต้องดู ถ้ากุฏิเรือนไม้เรือนทรงไทยความเสี่ยงคือสายไฟเก่าๆยอมเสียสตังค์แม่ไฟฟ้ารัดวงจรนะครับเปลี่ยนให้หมดไม่กี่บาทหลีกเลี่ย ง, ยงความเสี่ยงคืออย่าให้มันเสี่ยงโดยใช่เหตุไม่ใช่ว่าปล่อยไปเถอะเราหลีกเลีย ง, ย, งยังไง เช่นบางอย่างถ้าเราทำแล้วมันเสี่ยงก็อย่าทาถ้าไม่ทำมันก็ไม่เสี่ยงแต่ถ้าจาเป็นต้องทำอาหารบางอย่างเนี่ยนะครับที่เราฉันเนี่ยมันแสลงแก่โลกในชีวิตจริงงานของเราเนี่ยนะครับฉันไปแล้วโลกมันกับเลิกแล้วเสียงดูบางทีมันอาจจะไม่กับเลิกเพราะมันอร่อย เอาเข้าจริงเนี่ยครับแพ้โอ้โหข้าวหลุกไยาบาลแสดงว่าไงครับท่านไม่หลีกเลี่ยนน้ําตาลเนี่ยเป็นคนเป็นเบาหวานสมมติไม่ฉันไปเรื่อยน้ําตาลขึ้นแล้วก็ยังไม่หยุดหมอก็บอกว่ามันเสี่ยงนะท่านต้องหลีกเลี่ยนน้ําตาลนะครของหวานก็ยังฉันไปนะ็นอกเลยครับไม่หลีกเลี่ยนสิ่งที่เป็นเหตุเป็นบรรจัยให้เกิดความ สูญเสียอันนี้คือหลีกเลี่ยงความเสีย่ยงอันที่สองครับลดความสูญเสียถ้าท่านจําเป็นต้องทำจาเป็นต้องทำแล้วมันเสีย่ยงถามว่าทําอย่างไรให้มันสูญเสียน้อยเมื่อกี้ผมพูดแล้ว เราจำเป็นจะต้องให้มีวัยาวัจกรเก็บรักษาเงินแต่ถ้าเขาหนีเอาเงินเราไปหมดเราผิดพลาดบกพร่องแต่ไม่ให้มีวัยาวัจกรก็กไม่ได้ให้เลือกครับหนึ่งเราเก็บเองสองให้วัยาวัจกรเก็บเห็นไหมครับยังไงมันก็เสี่ยงทั้งคู่ เพราะถ้าเกิดเรื่องมันไม่มีใครเป็นพยานถ้าเราเก็บเองเนี่ยโดนฟอ้องขึ้นมาจเจ้าว่านกุ้งกิ้รู้แต่เรื่องเงินอยู่คนเดียวโดนฟอ้องขึ้นมาไม่มีใครช่วยไม่มีคนช่วยทําบัญชีฉะนั้นเขาแนะนําอย่างนี้ครับท่านให้ใครเก็บเงินก็ตามให้ลดความเสี่ยงนั่นก็คือ อย่าให้เขาทำบัญชีเองการเงินกับการบัญชีมันคนต้องคนละคนจาไว้นะครับคำว่าการเงินคือคนเก็บรักษาเงินจ่ายเงินนะครับนี่คือเขาเรียกว่าการเงินการบัญชีคือคนที่จดว่าวันนี้รับเท่าไรจ่ายเท่าไรเก็บใบเสร็จเก็บอะไรไว้ เขาเรียกการบัญชีเขาไม่เก็บเงินนะแต่เขาเก็บบัญชีสองคนนี่อย่าให้เป็นพวกเดียวกันเอาไว้ถวงดุลกันขอให้ตรวจสอบว่าเงินเข้าอะไรก็ต้องแจ้งฝ่ายจดฝ่ายจดอย่าให้เก็บบัญชีไอ้เก็บเงินเพราะถ้ามันเก็บเงินมันลับมันหนึ่งมื่นมันจดแค่ห้าพันเงินหายไปแล้วแค่ห้าพันเห็นไหมครับเสี่ยงให้เงินหาย วัดใดก็าตามที่ให้คนทั้งเก็บเงินทั้งทมบัญชีทั้งหลไอยู่คนเดียวเสี่ยงมากๆท่านต้องลดความเสี่ยงลดความสูญเสียนี่คือข้อที่สองรับความเสี่ยงไว้เองเวลาที่ท่าน จัดการอะไรก็ตามบางครั้งมันเสี่ยงแต่ถามว่าพร้อมที่จะรับไหยเรารู้อยู่ถ้าจัดงานวัดขาดทุนขึ้นมาพร้อมโดนด่าไหมพร้อมที่จะหาเงินมาชดเชยไหมคอยยืมตรงนี้มาก่อนสมมติว่าไปขอยยืมคุณโยมมาลงทุน บางอย่างเนี่ยนะครับซื้อของเพื่อจะจัด ง, งานแล้วคนมันก็จะมาบริจาคชดเชยให้แต่คนไม่มาขึ้นมาไม่ใช่หนีครับหนีนี่ไม่ได้แต่พร้อมที่จะควักกระเป๋าตัวเองเนี่ยจ่ายให้ร้านค้าเขาถ้าท่านมีก็ยอมเสี่ยงเอาเอาเครดิตวัดกับมีกสตัง์แต่เงินเรามี ใจแทนแล้วค่อยหามาชดใช้เขาเรียกว่ารับความเสี่ยงไว้เองท่านพร้อมไหมถามตัวเองบางเรื่องบางอย่างนี่นะครับเสี่ยงโดนด่ า, าพร้อมที่จะโดนด่าถ้ามันล้มเหลวก็ทำสุดท้ายครับทายโอนความเสี่ยง ถ้าท่านไม่พร้อมที่จะรับคนเดียวเหมือนอย่างนี้ครับถ้าเป็นรับความเสียงไว้เองท่านรับสัมเนรหรือรับคนเข้ามาบวชไว้ใจโยมไว้ใจคนรับรองอะไรต่างเราก็ทํากันอย่างนี้น่าจะเป็นคนดีเราคิดว่าอย่างนั้นและถ้ามาบวชมาเรียนจะนําความเจริญมาให้เสี่ยงรับเลยมันเสี่ยงเท่านั้นนะแต่ถ้าไม่ดีขึ้นมา เรารับผิดชอบอีกอย่างนี้เรียกว่าเป็นข้อสามถ้าข้อสี่นะครับถ่ายอูดความเสี่ยงเราจะรับคนเข้ามาเนี่ยอ่ะมาช่วยกันดูช่วยกันสัมภาษณ์มีคณะกรรมาการสมมุติว่าเรามีตําแหน่งอะไรก็ตามสมัยเดี๋ยวนี้เลยนะเวลาเขาจะรับคนเข้าราชการเขาจะมีคณะกรรมาการสอบสัมภาษณ์เนี่ยพวกเนี้รับความเสี่ยง การกรองแล้วได้คนไม่ดีเข้ามาไม่ใช่หัวหน้าผิดอย่างเดียวไอ้พวกการกรองก็ผิดเวลาก่อสร้างนะครับสร้างเสร็จเนี่ยเขาจะ เ, าเขาบอกสมว่าสร้างช่างมาสร้างอะไรก็ตา่างสร้างพุทธรูปครับสร้างโบสถ์เวลาเราจะจ่ายสตังเราจะรับเข้ามาเนี่ยตั้งคณะกรรมการตรวจรับก่อนคณะกรรมการตรวจรับ ไปตรวจแล้วมีโยธาจังหวัดมีใครต่อใครรับเซ็นมา ก, ก็อาคารหรือพุทธลูปพังลงมานี่เจ้าวาดไม่ได้รับผิดคนเดียวนะครับไอ้พวกที่เซ็นนั่นแหละอบตอใครต่อใครเนี่ยรับความเสี่ยงไปด้วยคือโดนเล่นงานด้วยท่านอย่าไปรับคนเดียวในสิ่งที่ท่านกำไปงพร้อม เพราะฉะนั้นคณะกรรมการตรวจลับตรวจการจ้างตรวจอะไรก็ตามเนี่ยมีเถอะครับถ้าท่านซื้อของมาใหญ่ๆอะไนะเกินมาของปลอมแล่วครับเคยมีคนเอาเอาพุทธรูปทองคำเนี่ยมาถวายผู้ช่วยเจ้าวาดวัดหงเอาเงินไปสี่แสนและมันก็ไม่มาเอาคืนไม่มาไถ่คืน ท่านอายุมากแล้วก็จะมาถวายวัดผมมีพิธภัณฑ์อยู่พระทองคำเอ้ยพระทองคาจะมาถวายผมบอกว่ายังไงผมก็เสี่ยงนะเพราะว่าเจ้าของเขาจะเอาคืนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกับเขามาจำนองอะ่ะเกิเขาเอาเงินมาแล้วก็มาคืนเอาคืนเอาพระคืนเนี่แล้วเรารับพระเอาไว้เนี่ยเกิด ี่สูจน์กันตอนหลังบอกว่าไม่ใช่ทองแท้เนี่ยนะมันกลายเป็นว่าเราที่รับของมาเนี่ยผิด น, นะครับสลับของอะไรกันไม่รู้เขาบอกเขาเป็นทองคำแล้วเอาเงินมาให้สี่แสนขอพระทองคำคืนที่จริงต้องไปให้เจ้าของเจ้าของก็เกิดมรณภาพไปแล้วเนี่ยมันเรารับผาระจำหยอดผมจึงบอกกับหลวงพ่อผู้ช่วยเจ้าวาสนั้นเนี่ย ถ้ายัางไงเนี่ยเราก็จะรับนะครับแต่ขอพิสูจน์ก่อนว่าพระทองคำกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดเป็นทองชุบล่ะครับแล้วมันไม่ไม่ถึงสี่แสนเนี่ยตายเป็นมีปัญหานะครับผมไม่เอาขอตรวจก่อนท่านยินดีให้ตรวจครับข้ามสะพานพุทธหรือวัดผมติดสะพานพุทธไปที่พ า, ารัฬล้านทองเยอะ เขามีเทคนิคในการตรวจใช้แสงเลเซอร์ในยิงแล้วก็ขูดกินนดนิดหนึ่งเครื่องมันจะพิมพ์ออกมาค้าว่าเป็นทองกี่เปอร์เซ็นต์เหล็กกี่เปอร์เซ็นต์อะไรกี่เปอร์เซ็นต์ตะกั่วเท่าไหร่หลวงพ่อท่านก็ไปไปกับคณะกรรมการากาเราผมถ่ายโอนความเสี่ยงไปให้ร้านทองเพื่อเขาพิสูจน์ออกมาพระองค์นี้นะครับเดี๋ยวนี้ก็อยู่ในพิธภัณฑ์ครับ สี่แสนที่คนเอาตังไปพอไปร้านทองจริงนะครับร้านทองเขาพิสูจน์มาแล้วครับเหล็กเก้าสิบเปอร์เซ็นตอยู่ข้างในทองแค่สิบเปอร์เซ็นตราคาไม่ถึงสี่แสนเลยมันถึงหายไปสิครับให้คนที่มาท่านก็เลยหน้ามุยแล้วก็ยังไงก็ถวายไปเลย า, ายวัดอยู่จนบัดนี้ผมก็ไม่กล้าเขียนพระทองคำเลยเดี๋ยวจะไปหลอกอยู่แต่ข้างนอกนี่คือทองชุบหนักทองเหล็กเพราะฉะนั้นหลายเรื่องเนี่ยนะครับพิสูจน์ถ่ายโอนความเสี่ยงเมื่อวัดผมกรูกแตกของมีค่าเยอะมากพระทองคำก็มีอะไรกันมีที่ผม พบเลยนผะมให้กมรมศิลปากรมาจดทำประวัติทำทะเบียนบดแล้วก็ตั้งเป็นพิธภัณฑ์อยู่ในวัดทุกวันนี้ท่านก็ไปดูได้สิบกว่าปีแล้วมีระบบป้องกันความเสี่ยงทั้งยามทั้งกล้องทั้งอะไรทั้งทุกอย่างแล้วก็ป้อมตำรวจอยู่ห น, น้าวัดมีคนมาถามผม ไม่กลัวหายหผมบอกมีระบบต่างๆและที่สําคัญคือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของของขอวัดเองลอมเจ้าคณะจังหวัดเพชรกาแพงเพชรมาเห็นพระรูปพระองค์หนึ่งนะครับสามขาท่านก็บอกว่าเป็นภาพรประจําจังหวัดท่านสมัยสุขโขทยัยท่านก็มีอยู่ที่วัดแต่ว่าซ่อนไม่ให้ใครเห็นเลยกลัวขโมย นี่ผมมีตั้งหลายองค์เต็มไปหมดเอามาตั้งโชว์อย่างนี้ไม่กครวรผมก็บอกว่ามันมีวิธีเสี่ยงกันหลายอย่างครูแต่งนี่คนรู้หมดและพระหายไปไหนเนี่ยอยู่กุฏิจเจ้าวาดแล้วเอาไม่มาแสดงโจรมันก็มุ่งไปที่กุฏิจเจ้าวาดนะท่านผมไม่เสี่ยงด้วยหรอกมันไม่ใช่สมบัติผมผมทําวิธีพันล้อมอย่างดีครับ มีระบบทุกอย่างแล้วให้กรมศิน์มาทำทะเบียนมีภาพมีอะไรแต่แต่ละองหายก็รู้จนบัตรนี้ก็ยังอยู่ทุกคนเป็นเจ้าของกดไม่ใช่ของผมคนเดียวทายโอ้ดความเสี่ยงแล้วมันดีตรงไหนครับ ญาติโยมเห็นเข้าอู้ที่นี่มีระบบดีนี่เอามาถวายครับถ้าอายุไม่ถึงร้อยปีผมไม่รับให้ผู้เชี่ยวชาญดูมีอยู่องค์หนึ่งเข้มาถวายเป็นพระอะบยนขอมนะครับเป็นนาคปลกมีอยู่เฉพาะในพิพภัณฑรถานแห่งชาติบัมปริมบุญนาคเอา ม, มาถวายสูงร้อยห้าสิบเซน เป็นหินเขียวอายุเกือบพันปีมาจากขอบถามว่าของใครเขามีใบหมดเลยท่านใบรับรองพระองค์เจ้าพานุพันยุคนองค์ชายใหญ่ได้มาเมื่อปีนั้นปีนี้สี่สิบกว่าปีเช่ามาในราคาเท่าไหรมีหลักฐานที่มาพี่ไปตำรวจมาเห็นก็มาถามมาได้ไงโปกรมนี้กน่งคนถวายเขาเขียนว่าเป็นมรดกของชาติสมบัติพระศาสนาเอามาถายไว้ เพราะหลานลูกหลานเนี่ยเขาจะไปขายให้ต่างประเทศหลายสิบล้านเขาไม่อยากให้ไปเอามาถวายเกิดจากที่เราถ่ายโอนความเสี่ยงช่วยกันดูและเมื่อทำขนาดนี้แล้วมันยังมีปัญหาเกาะยังไงมันก็มีปัญหาแต่เราต้องกระจายทุกวันนี้นะครับเรานั่งรถนี่เสี่ยงไม่เสี่ยง ลีกเลี่ยนความเสี่ยงก็เดินเอาสิครับและเขาให้ถ่ายโอนความเสี่ยงด้วยอะไรครับรถทุกคันต้องมีประกันประกันการประกันก็คือเจ้าของรถไม่มีปัญญาจ่ายบริษัทประกันจะมาจ่ายผู้รับอุบัติเหตุในรถ ด, ด้วยรถคันนั้น ท่านจะต้องคำนึงถึงบางครั้งบางอย่างต้องเอากรรมการมาช่วยกันดูเอามาช่วยกันตรวจให้คนอื่นเป็นหูเป็นตางเพื่อเราไม่ต้องรับความเสี่ยงไว้คนเดียวนะครับในเลื่อนที่สามครับ <c oughs> เรามีจุดด้อยแต่ว่ามีโอกาส ทำไมไม่ลองเสี่ยงลองทาที่ผมพูดเรื่องเสี่ยงนี่นะคือบางรูปบางองค์เนี่ยนะครับรอความพร้อมรอคนบริจาครอที่นูดนี่เลยไม่มีผลงานกลัวขาดทุนกลัวโดนด่าเพราะเราก็ไม่พร้อมเราก็ไม่เก่งอย่างนี้บางครั้งนะครับถ้าท่านอยากจะมีผลงานท่านต้องลองเสี่ยงทาถูกม เราไม่พร้อมเหมือนท่านจะเปิดสำนักเรียนอะไรต่างไม่พร้อมแต่เปิด <c oughs> เมื่อมันมีโอกาสอำนวยมาให้ท่านอยากจะสร้างจะทำอะไรก็ตามเงินไม่มีแต่มันมีโอกาสอย่างผมสร้างมหาจุฬาที่วังน้อยเนี่ยนะครับที่ท่านไปดูนะครับในฐานะอธิการบดีเนี่ยผมเสี่ยงครับไม่มีเงินสักบาทเดียวในการก่อสร้าง แต่มีโอกาสคือเจ้าภาพถวายที่ดินติดถนนโมนโยทินนะครับแปดสิบสี่ไร่โดยมีข้อแม้ว่าต้องสร้างนะอย่าไปเก็บไว้นะต้องสร้างมหาวิลลยสงนะตอนนั้นเราอยู่วัดมหาธาตุไม่มีสตังคือจุดด้อยโอกาสคือที่ดินมาถามว่าเราจะรับไหมถ้าไม่รับเขาก็ไปถวายไปให้วัดอื่นผมรับและผมก็สร้าง โฆษณาประชาสัมพันธ์หาเงินปรากฏว่าสร้างจนตเต็มพื้นที่ไปสุดสดไร่เดี๋ยวนี้ต้องซื้อที่เพิ่มเพิ่มไร่ละล้านในะสมัยโน้นนะเดี๋ยวนี้สามสี่ล้านก็ซื้อไปได้ผมซื้อที่หาเงินเองซื้อทีอ่เพิ่มอีกรวมแล้วสามร้อยสามสิบไร่ตอนนี้ลงทุนก่อสร้างไปไม่น้อยกว่าสามพันล้านบาทโดยไม่มีสตังค์รัฐบาลไม่ให้เลยสมัยโ น, น้เขาเรียกยุค IMF แต่ทำสำเร็จอันนี้เขาเรียกว่าเสีย่ยงไม่จำเป็นเราก็อย่าไปทำใหญ่มากสิครับถ้าผมรู้ว่ามันจะยากขนาดนั้นผมก็ทำให้มันเล็กหน่อยนี่มันมันเป็นระดับมหาวิลเลยปมันก็เลยทำใหญ่ <c oughs> เรียนได้เป็นหมื่นตอนนี้เต็มหมดละตอนสร้างใหม่ๆคนก็ถามว่าจะสร้างมาให้ใครเรียนนะรอดูเดี๋ยวนี้ไม่มีที่หรอกครับ <c oughs> คนแห่ไปเรียน มหาจุฬาทั้งที่วังน้อยทั้งที่อื่นเนี่ยมีสาขามีนิสิตปริญารรญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกสองหมื่นห้าพันแต่ก่อนมีสามพันนตอนที่เราสร้างไปเกินห้าพันสุดท้ายครับก็คื อ, อ, อเรื่องของ มีทั้งจุดด้อยเราก็ไม่พร้อทั้งมีฝ่ายค้านเยอะไม่ต้องทําครับอย่าไปทําถ้ามันมีสองอย่างเนี่ยนะครับจําวัดไว้ปลอดภัยกว่าระบับตื่นเขาก็เป็นมาปลดท่านง่ายๆหรอกครับเพราะฉะนั้นที่หลายรูปเนี่ยนะครับผลงานไม่มีเช้าชาเย็นชาเพราะไปเข้าใจผิดว่าจะต้องอยู่เฉยๆ แล้วอยู่เฉยๆในกรณีที่สี่เท่านั้นก็คือพร้อมก็ไม่พร้อมทั้งฝ่ายค้านก็เยอะทําไปก็ไม่ได้เรื่องแต่ถ้าเราพร้อมแต่แต่ไม่มีคนสนับสนุนมีฝ่ายค้านก็น่าเสียงมีโอกาสอย่างคนมาถวายที่ดินแต่เราไม่มีสะตาไม่มีพร้อมก็น่าเสียงยิ่งถ้ามีความพร้อมมีโอกาส แล้วทำไมอยู่เฉยๆทำไมไม่ถามฝากไว้นะครับในทีนี้มาเรื่องที่ผมค้างเป็นคำถามไว้ว่าอำนาจของเราเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าสั่งแล้วคนไม่ปฏิบัติตามเช่น จะให้ลูกศิษย์ออกจากวัดแล้วพระเนออกจากวัดแล้วเดี๋ยวนี้เขาหัวหมอเขาไม่ออกเนี่ยเรามีอำนาจอะไรอำนาจตามมาตรา45ครับของพรบรคณะสงฆ์2505ให้ถือว่าพระภิกษุซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำ ร, รงตำแหน่งในการปกครองคณะสงฆ์และวัยาวจากรเป็นเจ้าพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญาเขาเขียนไว้แค่นี้ครับ คาว่าเจ้าพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยมันคลุมถึงอำนาจที่เขาไม่ได้เขียนไว้ท่านจะต้องไปดูว่าเจ้าพนักงานมีอำนาจอะไรและท่านมีน่ะอำนาจในฐานะเจ้าพนักงานเจ้าพณะตําบลเป็นเจ้าพนักงานเจ้าวาดเป็นเจ้าพนักงานแต่ไม่ได้อยู่ในพบรบคณะสงฆ์มันอยู่ในพบรบกฎหมายอาญาท่านมีอำนาจเหมือน ตำรวจรตำรวจเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายถ้ามาค้นมาอะไรต่างๆถูกต้องตามไว้แล้วเราแล้วขัดขืนเนี่ยถือว่าขัดขืนคับเจ้าพนักงานงเราเป็นเจ้าวัดแล้วสั่งให้คนที่ประพฤติใหม่นี้ก่อกวนงานออกไปจากวัดแล้วเขาไม่ออกเนี่ยมีโทษฐานขัดขืนคําสั่งเจ้าพนักงานงนี่เป็นกฎหมายบ้านเมืองทั่วไปนะครับ ใช้กับตํารวจใช้กับพระใช้กับผู้ปกครองทั้งหลายถามว่าเจ้าพนักงานที่ว่านี้คืออะไรเจ้าพนักงานทุกอันนี้ตําแหน่งเหล่านี้คือเจ้าพนักงานนะครับตั้งแต่เจ้าพนักใหญ่ไปถึงเจ้าวาดรองเจ้าวาดผู้ช่วยเจ้าวาเจ้น้าทบรองจ้าหน้าทบเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายอะอย่างเจ้าพนักงานที่ว่านี้คือ อะไรคาพิพากษาสารดีกาครับ 2,490 ให้คาความหมายของเจ้าพนัก ง, งานคือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยทางการของรัฐไทยให้ปฏิบัติราชการของรัฐไทยนี่คือเจ้าพนัก ง, งานในความหมายของพวกเราก็คือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะสงฆ์ให้ปฏิบัติงานของคณะสงฆ์ไทย ซึ่งคณะสมไทยก็เป็นส่วนหนึ่งของข้าราชาการเราจึงเรียกเราไม่เรียกพระว่าข้าราชาการก็เรียกพระสังฆาธิการเป็นเหมือนข้าราชาการเลยครับอำนาจตรงนี้เจ้าพนักงานท่านเป็นเจ้าพนักงานเมื่อไหร่ครับหนึ่งต้องมีการแต่งตั้งอย่างที่เจ้าหาทีจังหวัท่านตั้งท่านแล้วสองเป็นเจ้าพนักงานตามขอบเขตที่ท่านรับการแต่งตั้ง ท่านเป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าพนักงานเฉพาะใหญ่ในวัดสั่งให้คนออกจากวัดได้ท่านเป็นเจ้าคณะตำบลท่านใหญ่ในตำบลท่านสั่งการอะไรก็ถือเป็นคําสั่งเจ้าพนักงานแต่ไม่สามารถเจ้าอาวาสไม่สามารถจะเป็นเจ้าพนักงานนอกวัดตัวเองเจ้าคณะตำบลไม่ใช่เจ้าพนักงานนอกตำบลและต้องเป็นงานในหน้าที่ด้วย ถ้าไม่ใช่หน้าที่ท่านก็ทำไม่ได้หน้าที่เจ้าคณะตำบลที่กฎมสเขาเขียนไว้เนี่ยท่านทำได้ตามนั้นแหละท่านเป็นเจ้าพนักงานแต่ถ้ามันเกินตรงนั้นแล้วท่านไปสั่งไม่ใช่คำสั่งเจ้าพนักงานเจ้าอาวาสก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจิดตู้รู้ขอบข่ายเอเรามาดูนะครับมีคำพิพากษา สารดีกาท่านสั่งให้พระเนนที่ไม่อยู่ในโอวานขัดขืนคำสั่งเนี่ยออกจากวันแล้วถ้าเขาไม่ออกท่านทำยังไงเขาไม่ได้ให้อ ำ, อำนาจท่านลากคอออกไปแบบมากเสียท่านต้องไปแจ้งตำรวจตำรวจก็มาทคาคดีเหมือนคดีขัดคำสั่งเจ้าพนัก ง, งาน ทำสำนวนเสร็จส่งอปยการฟ้องศาลครับว่าเจ้าอาวาสเนี่ยเคยมีคดีแล้วนะครับศาลฎีกาอายการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นโจทฟ้องแทนวัดว่าพระประเสริฐเป็นจำเลยเนี่ยไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าอาวาสที่ออกจากวัดภายในห้าวันขึ้นศาลครับถือว่าขัดคำสั่งเจ้าพนัก ง, งานสู้กันจนถึงศาลสารศาล ต้นชั้นต้นชั้นอุทธรชั้นฎีกานี่ชั้นฎีกาตัดสินในปีสองพันสิบนี่คดีเคมีอ่ะท่านตัดสินเพราะอะไรกฎหมายอาญามาตราสาร้กสิบแดบอกว่าผู้ใดทราบคำสั่งของเจ้าพนัก ง, งานเช่นทราบคำสั่งของเจ้าวาดซึ่งสั่งการตามอำนาจที่กฎหมายให้ไว้ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนั้น โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวสมควรต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินสิบวันหรือปรับไม่เกิน5 0 0รอยบาทหรือทั้งจำทั้งปรับอย่านึกว่าจำคุกไม่เกินสิบวันไม่ร้ายแรงนะครับพระเนธถ้าติดคุกคือต้องสึกนะาขานคำสั่งเจ้าว่าในโทษถึงสึกเพราะติดคุกสิบวันอยู่ๆจะให้คนสึกต้องขึ้นศาลครับถ้าท่านสั่ง โดยไม่มีถังโดยชอบทาคือมีเหตุมีผลมีหลักมีฐานสารก็ตัดสินเท่าข้างท่านแต่ถ้าท่านสั่งโดยพาราการไม่ดูแลความเป็นไปความถูกต้องชอบธรรมตามกฎหมายสั่งมั่วท่านก็มีสิทธิแพ้คดีนี่ครับคำพิพากษาที่ว่าเนี่ย จำเลยเป็นพระภิกษุไม่อยู่ในอำนาจของเจ้าวาดไปไหนมาไหนไม่บอกลาเจ้าวาดพาบุคคลภายนอกและภิกษุวัดอื่นมาทำนักในกุงิโดยไม่ได้บอกเจ้าวาดไม่ปฏิบัติกิจสงที่เจ้าวาดบอกเจ้าวาดจึงออกคำสั่งให้จำเลยออกจากวัดจำเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีเหตุในข้อแก้ตัวสมควรจำเลยจึงต้องมีความผิดตามมาตราสามร้อยหกสิบแปดคำสัง่ง โดยชอบของเจ้าพนักงานเอาทีนี้ดูหมินเอาดูหมินเจ้าพนักงานใครก็ตามที่เข้ามาในวัดนะครับมาเมาบ้างเป็นเหตุก่อความวุ่นวายหรืออะไรเนี่ยเขาก็ให้ลงโทษพูดถึงดูหมินเจ้าพนักงาน ดูมินเจ้าพนัก ง, งานก็หมายถึงว่าเรากําลังปฏิบัติหน้าที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสเป็นชพนัก ง, งานในเขตของวัดท่านแล้วก็รักประชุมทายกชายกาประชุมพระเด่นนะเพื่อลงมติเรื่องอะไรก็ตามในฐานะเจ้าอาวาสแล้วมีโยมคนไหนไม่รู้ขี่เมาลุกขึ้นชี้นหน้าดาว่าท่านไม่มีอํานาจท่านก็เคยบวชเคยเม้ามาก่อนอะไรมาบิ่นประมาทเราในกรณีอย่างนี้ จาบช่วงอย่างนี้ถือว่าดูหมินเจ้าพนัก ง, งานนะครับเหมือนเราไปดูหมินตำรวจเลยซึ่งเราทำตามหน้าที่ระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองพันบาทแต่ท่านต้องทำหน้าที่นะครับเป็นเจ้าหน้าทบานลมีเรื่องวุ่นวายในเขตตำบลเราจะต้องไปรับ ไปประชุมญาติโยมในวันดนู่นประชุมนี่ๆในฐานะเจ้ากราะตมนานตาบลกำลังไกลเกลียดคนมาด่าท่านมากอกวนท่านถือว่าดูมิน่นเจ้าคณะตาบลซึ่งกำลังทำหน้าที่ผิดตามมาตรานี้แต่ถ้าท่านไปในนอกเขตตำบลของท่านแล้วท่านก็ไปเทศไปอะไรต่คนมาด่าท่านนะนะไม่ผิดนะครับเพราะท่านไม่ได้ทาหน้าที่ท่านกาลังเทศ อย่างมากก็บิ็นประมาณส่วนบุคคลซึ่งโทษคนละอยา่างไม่ใช่บมิ่นเจ้าพนักงานอ่ะบางทีนะครับคนชอบมาฟ้องกันใครไม่ชอบใครก็ฟ้องไปเรื่อยเป็นละละอักษรแจ้งความไปถ้าไปแจ้งความตำรวจที่มันเป็นเรื่องเท็จถือว่าแจ้งความเท็จ มาฟ้องร้องพระในวัดว่าผิดตรงนั้นตรงนี้แจ้งไป็นลายลักษอักษรแล้วมันเป็นความเท็จถือว่าแจ้งความเท็จนะกล่าวหากันลอยลอยแต่ต้องลงชื่อเป็นหลักฐานมาบาทสนเทศไปเกี่ยวมากล่าวหาคนนั้นคนนี้โกงเงินวัดเหมือนกับไปอ้างว่าเจ้าวาดวันนี้โกงเงินไปแจ้งกคณะตบดมีลากษอักษรลงชื่อกันไป แล้วมันไม่ผิดอ่ะถือว่าแจ้งความเท็จนะครับโดนฟ้องกลับตามมาตราหนึ่งร้อยสาสิบเจ็ดผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานแจ้งคณะมนตรีหรือมาแจ้งเจ้าว่ากับพระในวัด น, นั้นผิดยังไงอย่างางี้แล้วมันการเป็นการใส่ร้า ย, ายโดนมาตรานี้ครับแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจทําทให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายต้องระวังโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนเห็นไหม เหมือนเราไปแจ้งความเท็จกับตำรวจหรือหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือท่านจำทั้งปรับโทษเหมือนกับอะไรครับค่อยดูวันที่ยี่สิบปดเขาจะตัดสินไปแจ้งความว่าหวยหายอ่ะสาสิบล้านอ่ะท่านถ้าเกิดตำรวจครับบ อ, อกไอ้เจ้าของจริงๆมันคือไอ้คนไปเบอร์เงินนะคนแรกนะ แล้วไอ้คนที่มาแจ้งความว่ามันเป็นหวยของเขาเนี่ยนะครับแล้วให้อายัดอะไรต่างแจ้งตํารวจถ้าเขาบอกว่านี่แจ้งความเท็จติดคุกไม่เกินหกเดือนครับพวกนี้ใครดูกันหวยมันจะออกที่ใครนี่คือตัวอย่างทีนี้อย่าไปนึกว่าแจ้งเจ้าแจ้งเจ้าพนัแจ้งตํารวจเท่านั้นนะโดนมาตรานี้แจ้งเจ้าอาวาสฟ้องคนนั้นคนนี้ แจ้งทางนั่นตะบนฟ้องคนนั้นคนนี้แล้วถ้ามันเป็นเทปติงคู่คงเดืนนะครับแต่เราไม่ค่อยรู้กันเพราะมันไปแฝงอยู่ในคำว่าเจ้าพนัก ง, งานตาความในประมวลกฎหมายอาญาแล้วเราก็ไม่เคยตามไปดูเลยในากฎหมายอาญามาตราหนึ่งร้อยสาสิบเจ็ดนะครับอ่ะสุดท้ายครับไหนๆเป็นเจ้าพนัก ง, งานแล้ว มีสิทธิ์โดนมาตรา157นะพวกท่านนะนะถ้าคนรู้นายกปูครับไอ้เรื่องจำนำข้าวอ่ะเป็นนายกนักบนตรีไม่กำกับควบคุมรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องข้าวทำให้เกิดความเสียหายโดนฟ้องมาตรา157 อ, อ่านให้ฟังผู้ใดเป็นเจ้าพนัก ง, งานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการเป็นเจ้าที่โดยทุจริตต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีหรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาทหรือท่านจำท่านปรับนายก ป, ปูไม่ได้ไปโกงข้าวแบบนี้อะไรเลยแต่ไม่ควบคุมให้ดีสารให้ติดคุกที่หนีออกไปใช้มาตราหนึ่งห้าเจ็ดเจ้าอาวาสก็มีสิทธิ์นะครับถ้าเจอพวกโหมอขึ้นมา เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยพิชชอบเงินวันจะอยู่หายไปเราไม่ได้โกงเลยครับวายาวัชกรเอาไปหรือใครเอาไปก็ไม่รู้เราเกิดละเว้นปฏิบัติหน้าที่ไม่กํากับควบคุมไม่ไดีมีสิทโดนมาตรานหนึ่งห้าเจ็ดครับเห็นไหมครับหรือปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตไปโกงไปอะไรก็ตามอ่ะอ่ะ เวลามันร่วงเลยผมไป อ, อีกมาตรานึงครับระวังมาตรานี้ด้วยครับมาตราสามร้อยห้าสิบสองเลือกยัดยอ่ทรัพย์ครับยักย่อซับไม่ใช่ขโมยนะครับยัดยอ่ทรัพย์เกิดในกรณีที่คนเอาของมาฝากไว้ที่ท่านแล้วไม่ได้ทําหลักฐานว่าฝากไว้ พอเขามาทวงเราบอกไม่รู้ฝากไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่เอามาเป็นของเรานะเอาของมาให้มาฝากไว้กับเราเราเอาไปขายซะแหละไม่ได้ขโมยเขามาฝากไว้เขาเรียกยักยอกทรัพย์ถ้าเป็นเอกชนคนทั่วไปเอาของมาฝากท่านเจ้าว่าแล้วท่านไปยักยอกเขาท่าน ถ้าฟ้องศาลแล้วจำคุกไม่เกินสามปีครับถ้ายักยอกทรัพย์ของประชาชนทั่วไปพระทั่วไปติดคุกไม่เกินสามปีแต่ทีนี้นะครับถ้าท่านยักยอกทรัพย์ของวัดติดคุกกีป่ปีคำว่ายักยอกทรัพย์ของวัดหมายถึงอะไรครับไม่ได้ขโมยเงินวัดไม่ได้โกงแ่โกง แต่ไม่ได้ขโมยเงินวัดเพราะเขามาฝากให้เงินวัดให้เจ้าวาดดูแลแล้วเจ้าวาดก็เอาไปเข้าพกเข้าหอของตัวเองไม่ได้ขโมยเพราะเอามาไว้ให้เราเราจึงเอามาเป็นของเราเองเขาเรียกยักยอกครับในกรณีที่เป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์โทษแรงมากนะครับท่านต้องสังวรระวังให้ดี เจ้าพนัก ง, งานยกักยอกทรัพย์มาตราหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดผู้ใดเป็นเจ้าพนัก ง, งานมีหน้าที่ซื้อจัดทำอะไรเบียดบงังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือไปให้ยากมิตรหรือยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์สินนั้นเอาทรัพย์สินนั้นไปเสียให้ยาววายยาวัชกรออกไปใะไม่ตรวจสอบระหว่างโทษจับคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปีหรือจำคุกตลอดชีวิตหรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หื่นบาท ถ้าเขาฟ้องขึ้นมานะครับท่านต้องระวังเรืนองกนี้กรณีวัดดังวัดหนึ่งครับเจ้าอาวาสเอาเงินวัดเนี่ยไปซื้อที่ดินสมัยน้นเขาเรียกมีการปัน่นเล่นปั่นราคาซื้อแล้วไปขายขายแล้วเอาเงินเข้าวัดทีนี้กฎหมายเขาบอกว่าถ้าซื้อแล้วเอาเป็นชื่อของวัดเนี่ย มันจะเปลี่ยนจะโอนจะย้ายก็โดยพระราชบัญญัติหรือโดยพระราชกฤษฎีกาต้องเป็นกฎหมายที่วัดเนี่ยไปขายไม่ได้นะครับต้องถ้าเป็นเอกชนจะมาซื้อที่วัดถ้าท่านจะขายต้องออกเป็นกฎหมายพระราชบัญญัติถ้าเป็นส่วนราชาการจะมาขอใช้ที่ท่านจะให้เขาต้องออกเป็นพระราชกฤษฎีกาส่วนแล้วเป็นกฎหมายหมดทีนี้เราจะไปซื้อที่ดิน พวกผัวหมอเจ้าวัดเอาเงินวัดเนี่ยไปซื้อที่ดินแล้วจะไปขายอีกเพื่อเอาเงินเข้าวัดการขายถ้าโอนเข้าวัดในชื่อวัดเนี่ยมันจะต้องทําเป็นพระราชมิญฉาเนเรื่องยากมากอย่างมหาจุฬานะครับโยมถวายที่มาสองไร่ครับฉาดเชิงเสาวคนแล้วเขามีวัตถุประสงค์ด้วยว่าถ้าขายได้ราคาดีให้ขายเพื่อเอาเงินเข้ามหาจุฬา เราก็ตกลงขายครับสิบสองล้านไล่แล้หกล้านห้าปีแล้วจะขายไม่ได้เลยท่านต้องทำเรื่องนะเข้าสภาหนจนวัดก็แบบเดียวกันเพราะว่าเราเป็นนิติบุคคลเป็นกฎหมายเป็นเขียนว้าอย่างนั้นเขาไม่ต้องการให้เอาให้เจ้าวาดเอาที่ดินไปขายไปทำไรต่างเขาต้องคุมอย่า ง, างแรง แต่ทีนี้คนจะบริจาคถ้าโอนชื่อเข้าวัดให้ท่านเอาไปขายต่อยากมากเจ้าวาดบางวัดจึงเอาเงินวัดเนี่ยนะครับไปซื้อที่ดินพอที่ดินแพงก็ขายขายโดยไม่ต้องออกไปพึ่งอยากคือไปจดทะเบียนเป็นชื่อตัวเองครับเป็นร้อยๆไร่ลเลยโดน ขึ้นโดนตำรวจสอบสวนฟ้องร้องจะขึ้นศาลนะครับโทษฐานยักยอกทรัพย์ก็เป็นเงินของวัดและทำไมไม่ใส่ชื่อวัดพระท่านก็บอกว่ามันเป็นส่วนที่ไปลงทุนจะเอาไปขายแต่กฎหมายมันไม่ฟังครับจะเอาผิดท่าเดียวครับฉะนั้นท่านต้องอย่าให้ใครเขากล่องให้ทำแบบนี้นะครับ เสี่ยงแล้วไม่คุ้มสมัยก่อนนี่เราไม่ค่อยถูกฟ้องไงพระแทบก็ทําหลายวัดทํานะครับในที่สุดพอเกิดเรื่องวัดแรกขึ้นมาโอนรีบโอนให้วัดหมดเลยไม่ขายแล้วเป็นหลายร้อยไร่ครับหลายวัดผมก็รู้จักหลังจากเกิดเรื่องมาเมื่อสิกบกว่าปีที่แล้วดเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ทํากันแล้วพวกท่านเจ้าวัดใหม่ก็ต้องให้รู้ด้วยว่าถ้าใครมากล่อมที่นูน่นที่นี่กระทำเดี๋ยวนี้เขาเลิกทําแล้ว ติดคุกโดยใช่เหตุยักยอกทรัพย์ตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปีเงินของวัด น, นี่ท่านอย่าเอาไปเข้าขมูลนิธิอย่าเอาไปใช้อย่างอื่นเด็ดขาดนะครับมีเจ้าวาดแห่งหนึ่งในกรุงเทพนะครับเอ่ยชื่อไม่เอ่ยชื่อนะครับเงินของวัดเป็นเงินของวัด ได้มาจากอะไรครับถนนมันผ่านที่เขาเรียกทำผาติกรบเขาก็เลยเอาเงินเนี่ยหลายสิบล้านนะครับเข้าบัญชีวัดเหมือนจ่ายชดเชยที่ถนนผ่านท่านทํำยังไงนุ้เนื่องจากว่าเป็นเงินที่ราชการค้นจ่ายให้วัดเป็นค่าผาติกรรมก็คือแลกกันกับถนนที่ดินเอาไปเป็นถนนได้มาสามสิบล้าน ท่านเบิกเงินนี้น่นะครับในฐา น, นะเจ้าว่าเอาไปใส่บัญชีมูลณิธิของวัดท่านเป็นพระนักสังคมสงเคราะห์ช่วยชาวบ้านตลอดและท่านไม่ได้คิดจะเอาเงินเงินดอกไอ้เงินต้นนะใช้จะเอาดอกผลดอกผลไปทำมูรณิธิําทำด้วยเจยตนาดีแต่รู้เท่าไม่ถึงการ โดนฟ้องครับถือว่าเป็นเจ้าพนักงานมีที่หน้าที่จัดการทรัพย์สินเบียดบันคือยักยอกทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือผู้อื่นโดยตุจริตปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบครับเหตุเกิดในปี2543เลยนะครับอย่างที่ว่าเข้าบุณีธินะครับเงินทั้งหมด36ล้านครับไม่ได้เอาไปของตัวเองเลยครับเข้าบุนธี แต่เขาถือว่ามันขาดจากวันไปเข้าอินนิตีบุคคลอื่นคือบุริธิขึ้นศาลครับจำเลยให้การปฏิเสธท่านเป็นเจ้าวาดอยู่ครับศาลตัดสินศาลตัดสินปี247ครับว่าท่านมีเจตนาทุจริตทําผิดโอนเงินแปดครั้ง จำคุกสี่สิบปีสารชั้นต้นเลยแต่เพราะมีเหตุบรรเทาโทษลดความผิดเหลือยี่สิบปีแต่ยี่สิบปียังไม่ให้ติดคุกรอลงอาญาสองปีเพราะท่านทําคุณประโยชน์แต่ผิดกฎหมายศาลก็ไม่รู้จะช่วยยังไงผิดครับติดคุกยี่สิบปีแต่ยังไม่ให้ติดคุกรอลงอาญาสองปีอุทธรณ์ครับศาลอุทธรณ์ตัดสิน ที่ท่านสู้สารอุทธร์คือถ้านไม่มีเจต น, นายักยอกถอนเงินไปใช้ไม่ได้ถอนเงินไ ป, ไปเป็นข้าบุิทิธิแล้วเงินทั้งหมดเนี่ยคืนให้แล้วตั้งแต่ปีสองรสี่สิบสองก่อนมีการแจ้งความดำเนินคดีขณะคืนเงินแล้วนะก็โดนครับตัดสินจับคุกสี่สิบปีลดหย่อนเลยยี่สิบปีลงองียนที่ศาลชั้นต้นก็อุทธร์ครับ ปี48อุทธรณ์สารอุทธรณ์พิจารณาแล้วนะเห็นว่าขณะที่จำเลยเป็นเจ้าวาดได้ทาประโยชน์เพื่อสังคมและตั้งบูรนที่ช่วยเหลือเด็กทรงเสริมพุทธศาสนาพัฒนาวัด ร, รวมทั้งจำเลยได้รู้สึกสำนึกผิดและไม่เคยรับรับโทษทางคดีอาญามาก่อนและจำเลยได้คืนเงินที่ยักยอกให้แก่วัดรวมทั้งหมดฟังแค่นื้อนึกว่าท่านจะไม่ผิดนะครับศารจึงเห็นว่าจาเลยมีอายุมากถึง77ปี การจำคุกคงไม่เป็นประโยชน์ต่อจำเลยจึงพิพาคษายืนตามสารชั้นต้นให้รอลงอาญาสองปีสรุปแล้วผิดเหมือนเดิม <c oughs> ผมอ่านตอนแรกก็พูดทำประโยชน์มนุษย์นี่นี่ <c oughs> <c oughs> แต่สรุปแล้วผิดติดคุกยี่สิบปีทันรอลงอาญาสองปีไอ้ที่รอลงอาญานี่ไม่ใช่อะไรหรอกเพราะแก่แล้วติดคุกคงไม่เป็นประโยชน์ เลยให้รอลงอายาไม่ใช่ไม่ผิดนะครับแล้วตั้งแต่นั้นมาผมก็รอดูว่าผู้วิพากษาจะตัดสินในสารไอศารเขานีการอีกนะครับผมยังไม่เห็นสารดีการแล้วผมก็ไม่รู้องค์นี้มรณภาพหรื อ, อยังดูสิท่านที่ผมว่าทาดีไม่ได้ดีผมไม่ไม่เอ่ยชื่อวัดนะครับเพราะว่าเห็นใจท่านผิดโดยไม่น่าผิด เพราะฉะนั้นท่าต้องศึกษานะครับที่ผมมาพูดนี่ก็คือให้ท่านรู้ว่าบางทีเนี่ยการขาดความรู้ขาดประสบการณ์อะไรต่างเรื่องกฎหมายเ่องเนีมันเกิดปัญหาโดยอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นก็นํามาเพื่อเป็นข้อสังวนระวังก็คงฝากท่านทั้งหลายไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับในที่สุดนี้ก็ขออนุโมทนา ต่อทุกฝ่ายนคะครับทั้งทางท่านจานจังหวัดท่านทีมงานที่จัดฝึกอบรมนี้ขึ้นมาและขอต้อนรนานทุกรูปทุกท่านที่เข้ารับการอบรมเพื่อปฏิบัติหน้าที่อาจจะเป็นประโยชน์ภัยศาสตร์แก่ประเทศชาติพระาศาสนาต่อไปขออนาจใ้คุณประสีรัตน์ไตรและคุณสนความดีที่ทุกท่านได้ระเพณหน้าที่ต่อพระาศาส น, นาครั้งนี้ จงมารวมกันเป็นตะบะดีชะพลวะปัจจัยเอาโดยอวยพรให้ทุกรูปทุกท่านทุกคนประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่จเจริญลูกเรือพ่อการภัยบูลยิ่งขึ้นไปในพระโมรพุทธศาสนาในร่มฐามในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสงค์จำานงหมายสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบดีธรรมก็ขอให้พลันสาเร็จสมมโนรดมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการ ตลอดการละนาเธอ